ใ น, ในครั้งนี้ก็จะบรรยายต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วพูดในเรื่องของสัภาสวัสังวรสูตรในสัภาสวัสังวราสูตรเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงในเรื่องของ การการเว้นเกี่ยวในเรื่องของอาสวะสภาสวะก็คืออาสวะสังวรก็คือการสังวรสังวรในที่นั้นเป็นชื่อของการปิดกันทีนี้การปิดกันอาสวะเนี่ยมานจะคําว่าสภาสวะสังวรปริยายังก์ปิดได้ด้วยอะไร ปิ ด, ด้วยทัศนะคือการเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นต้นอันนั้นเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้เป็นการปิดกันอาสวะทีนี้ในในพระสูตรที่ได้กล่าวก็คือว่าอาสวะที่พึงละได้โดยการสังวรคือการสำรวม อาสวะที่พึงละได้ด้วยการซ่องเศษการใช้สอยการบริโภคอาสวะที่พึงละได้ด้วยด้วยอธิวาชนะคือการอดทนอดกลั้นอาสวะที่พึงละได้ด้วยปริวัชนะคือการเว้นและก็อาสวะที่พึงละได้ด้วยการด้วยวิโนทนะคือการบรรเทาสถานที่เสร็จที่เจก็คืออาสวะที่พึงละได้ด้วยการภาวนาคือการเยื่ เนยทั้งทั้งเจ็ดประการ น, นี่ละที่จะศึกษากันเป็นไปนตามลำดับทั้งที่แล้วก็ได้พูดในเรื่องว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วิหารเชตวันรางของท่านนาคาปิณิกาเสถียีเขตพระนครสาวัตถีแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตัดเรียกงภิกษทุทั้งหลายแล้วก็สดแสดงธรรม องก็บอกว่าโดยใจความก็บอกดูก่อนภิกษ okay ุทั้งหลายเมื่อภิกษุมานัศิการโดยไม่แยกคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญเขอกอาสวะที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ยโดยการเห็นโดยการํารวมเป็นต้นเหล่านี้ยที่ยังไม่เกิดทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเจริญไพบูรณ์มากยิ่งขึ้นที่เป็นอย่างนี้เนี่ย แล้วก็ส่วนถ้าหากว่าเมื่อภิกษุมณติกศศการโดยแยกคลายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมละเสียได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนึ่งอาสวะที่พึงละโดยการเห็นก็มีสองอาสวะที่พึงลาโดยการสรัมวอรก็มีสาอาสวะที่พึงละได้โดยการเศษเฉพาะก็มีสี่อาสวะที่พึงละได้โดยการกดโทนกดกลั่นก็มี ถ้าอาสวะที่พึงลักได้ด้วยการเว้นรอบก็มีหกอาสวะที่พึงลักได้ด้วยการบันเทาก็มีที่จะพึงลักได้เพราะอบรมก็มีประการที่เจ็ดนี่นั่งนี่เป็นอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็าอาสวะเรานั้นที่พึงลักได้ด้วยการเห็นแต่เราดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุตตชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นป้าริยาทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของป้าริยะทั้งหลายไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของป้าริยะทั้งหลายไม่ได้เห็นสัตว์บรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บรุษไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสัตว์บรุษย่อมไม่รู้ทำตามอันตอนควรมานสิการเมื่อเขาไม่รู้ทำที่ควรมนาสิการไม่รู้ทำที่ไม่ควรมนาสิการย่อมมนาสิการทำที่ไม่ควรมนาสิการและก็ไม่มานสิการทำที่ควรมานสิการ ก็คือท่านยกตัวอย่างปุถุชนมาบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยเป็นโทษเป็นโทษก็คือว่าเพราะเหตุที่ตนเองเป็นปุถุชนเนี่ยไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะแล้วก็ไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยะไม่ครบสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษเป็นต้นและไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ <c oughs> ก, ก็ก็ไม่รู้ตามความจริงตรงนี้ถ้าเราดูใน มูลปริยัตสูตรที่เคยกล่าวมาในครั้งที่แล้วมันก็จะบอกยกตัวอย่างยกเหตุผลคําวอกปุถุชนเนี่ยคือปุถุชนที่ไม่ได้สัจจไม่ได้พบภริยาไม่ฉลาดในธรรมของภริยะไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของปริยะไม่ได้พบสัตบุตรไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่รับการแนะนําในธรรมของสัวรับรู้สิ่งต่างๆก็คือเมื่อไปรับรู้สิ่งต่างๆแล้วก็เป็นไปตามหน้าของราคาบ้างโทษาบ้างโมอาบ้าง แล้วก็เกิดความยินดีเกิดความเพลิดเพลินเนี่ยนะส่วนพระเสขะหรือพระเสกขาหรือสัตว์บุรุษทั้งหลายเนี่ยเขาเขารู้ตามความเป็นจริงเขาก็รู้จักที่จะมนาสิการในทำที่ควรมนานสิการเป็นต้นก็ต่างป็นตรนั้นแล้วก็บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำที่ไม่ควรมนาสิการที่ปุถุชนมนาสิการอยู่เป็นเชไหน เมื่อปุถุชนมนัติการอยู่ซึ่งทำเหล่าใดการมาสวะพอดีพระวาสวะพอดีอวิชาสวะพอดีที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญทำเหล่านี้ไม่ควรมานัิการซึ่งเขามนัติการอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรมานัติการที่ปุถุชนไม่มนัติการอยู่เป็นเชไหนเมื่อปุถุชนมนัิการทำเหล่าใดอยู่ ตามมาสวัสดีภาวะสวัสดีวิชาสวัสดีที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสิ้นไปทำเหล่านี้ควรมานสิการซึ่งเขาไม่มนาสิการอยู่อาสวะตทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแก่ปุถุชนนั้นเพราะมานสิการทำที่ไม่ควรมนาสิการและเพราะไม่มนาสิการในทำที่ควรมนาสิการแต่ตรงนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องเชี่เห็นว่า พุทธชนนี่เวลาไม่มีโยนิโสมนัสิการน์นะี้พอไม่มีโยนิโสมนัสิการแล้วก็ก็ไปมนัสิการในสิ่งที่ผิดพลาดพอมนัสิการในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วเนี่ยพวกอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นแล้เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเจริญไกบูยิ่งยิ่งขึ้นไปออถ้าเราย้อน ด, ดูในพระสูตรนี้เยในสภาสวะสังวะสูตร พระตถาท่านแสดงไว้บอกว่าท่านเล่าเรื่องสาวัถีก่อนท่านบอกว่าคําว่าสาวัถีเนี่ยคือพระนครเป็นที่อยู่ของฤาษีนะชื่อว่าสวัถะเมื่อแต่ก่อนเนี่ยที่สาวัตถีจะเป็นที่อยู่ของฤาษีชื่อว่าสวัถะเหมือนคำว่ากากันรีหรือว่ามากาันทีส่วนพระอกาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าวัตถุเครื่องอุปโภคและบริโภคของมนุษย์ทุกอย่างมีอยู่ในเมืองนี้ ฉะนั้นเมืองนี้จึงชื่อว่าสาวัตถีในอย่างหนึ่งก็คือว่ามีวัตถุของควรกิคนควรใช้แตมีเยอะจึงเรียกว่าสาวถีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าศรัทธาเนี่ยมารวมกันไว้กินชื่อว่าสาวถีเพราะอาศัยเหตุที่ว่าเมื่อถูกเขาถามว่ามีของอะไรอยู่บ้างก็ตอบว่ามีครบทุกอย่างก็แปลว่าในเมืองสาวถีเนี่ยเครื่องอุปโภค บริโภคทุกอย่างมารวมกันอยู่ในเมืองสาวัตถีตลอดเวลาสรุปแล้วว่าคือว่าสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยสมัยก่อนหน้านั้นที่สาวัตถีเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มีความไพ่บูรด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภคคือเมืองนี้มีเศรษฐีใหญ่ๆอยู่เยอะในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนถ้าหากว่าประเทศไหนมีคนรวยอยู่เยอะเนี่ยประเทศนั้นก็ ก, ก็จะเลิศทั้งด้าน ทางด้านวัตถุทางด้านเครื่องอุปโภคบริรโภคก็เจริญเพาบอกว่าด้วยเครื่องอมือุปโภคบริโภคเมืองนั้นวสาวสถีนี้เป็นของชาวโกศลน่าชื่นชมน่ารื่นรมน่าเพลิดเพลินเจริญใจแล้วก็กระทึกไปด้วยเสียงศิลปการมนีก็มีเสียงมา้าเสียงรอดเป็นต้นเหล่านี้เป็นเมืองอู่เข้านะเป็นเมืองถึงความเจริญไปบูุญมั่งคัง่งแล้วก็กว้างขวางน่าชื่นชม แล้วก็อุดมสมบูรณ์เหมือนเหมือนเทพบุรีชื่อว่าอารักามันทาทีนี้ในเมืองสาวัตถีเนี่ยที่เขาบอกว่าวัดเชตะวั น, นมาจากคำว่าเชตะวันนีก็แปลว่าคําว่าเชเชตาเนี่ยเป็นชื่อของพระราชกุมารนะพระนามว่าเชตตาทาไมจึงชื่อว่าเชตตาระราชกุมารพระเจ้าเชษฐเพราะรบชนะข่าศึกของพระองค์ หรือเพราะประสูนในเวลาที่พระชนกหรือทรงมีใช้ต่อค่าศึกเชษดเเชตาเป็นวชนะเพราะพระนามอย่างเนี้ยพระชนกชนนีตั้งให้เพื่อเป็นสิริเป็นมงคลคือพระเจ้าเชิชตอนที่ตอนที่บิดาไปลบออกลบรลบชนะก็ก็เลยมาตั้งชื่อโลกว่าเชิเช ทนี้อุทยานของพระราชกุมารนั้นชื่อว่าเชตาวันเพราะอุทยานเชตาวันนี้อันพระราชกุมารทรงพระนามว่าเชตานั้นทรงปลูกสร้างทนุบำรุงให้เจริญงอกงามท่านพระองค์ก็เป็นเจ้าของอุทยานนั้นด้วยฉะนั้นจึงชื่อว่าเชตาวันในวิหารเชตาวันฉะนั้นในวัดนี้ที่เขาเรียกว่าวัดเชตาวันที่เราเคยไปกันมาที่อินเดียเนี่ย โดยสรุปก็คือเป็นของพระราชภุมานชื่อว่าเชตตะราชภุมานเป็นอุทยานที่พระราชบิดามอบให้ท่านก็เลยเป็นเจ้าของเจ้าของสวนเชตวันนี้วันนี้แปว่าป่าก็คือว่าอุราชอุทยานของพระเจ้าเชตต ะ, ะราชภุมานส่วนคําว่านาถาปินทิกัสส์อารามีเนี่ยอธิบายว่าข้ามพอดีที่ชื่อว่าสุทัตตา อันนี้เป็นชื่อที่บิดามารดาตั้งให้คือมารดาบิดาตั้งให้ว่าสุทัตตะเคราห์บดีสุทัตตาเฉยๆแต่อยู่ต่อมาเขาเรียกกันในยุคนั้นว่าสุทัตตะเคลรหบ์บดีเขาเรียกอย่างนี้นะก็คือเป็นเป็นคนมีเงินนะเป็นเศรษฐี่ก็เลยเรียกข้าวเคลรห์หบดีแต่แต่คําว่าเคลาหบดีี่ในประเทศไทยไม่ค่อยนิยมเรียกกันใช่ไหม ก็จริงคําว่าขั้นเหวดีก็คือเศรษฐีโดยเหตุที่ได้รับอาหารต่อมาเนี่ยนะต่อมาก็ได้ชื่อว่าอานาถาปิณิกะที่เรียกว่ า, านาถาปินิ ก, กาเว่าเหตุที่ให้อาหารแก่คนอนนาถาทั้งหลายเป็นประจําเพราะเป็นผู้มั่งคั่งโดยสมบัติทุก ป, ประกานและปราศจากความตนันดีทั้งเพียรพร้อมด้วยคุณธรรมมีความกรุณาเป็นต้นก็คือว่า สัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะบรรพชิตก็ยินดีในในสวนนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอารามะอารามอารามเนี่ยมันจะว่าอารามนิยะสถานสถานที่ทำให้เกิดความยินดีในวัดเนี่ยวัดนี่เป็นอารามณียะสถานเป็นอารามะก็แปลว่าเป็นที่ คือบรรพชิตมาอยู่เขาก็ยินดีที่จะอยู่เป็นใครมาก็เป็นที่สัตว์ทั้งหลายนะมาแต่ที่ต่างๆก็ย่อมยินดีเพลิดเพลิอนอยู่อย่างสบายเพราะส่วนนั้นงามไปด้วยดอกไ ม, ไม้ผลเป็นต้นสมบูรณ์ไปด้วยองค์ประกอบแห่งศสนาสห้าประการห้าประการก็คือว่ามีการไม่ใกล้ไม่ไกลจากถนนลุนทางเกินเป็นนะักเป็นต้น ทีนี้อารามเนี่ยเพราะดึงดูดสักพู่ไปถึงสถานที่นั้นภายในบริเวณทุ้งตนนั่นเองแล้วก็ให้เกิดความเพืิดเพินด้วยสมบัตินานาประการก็หมายความบอกว่าสวนโดยเฉพาะที่วัดเชตวันน่เนียที่เป็นอนาตาปิณิการเศรษฐีได้สร้างถวายถวายสงมีพระเจ้าเป็นประมุก เออตรงนี้ก็ย้อนย้อนนิดนึงนะคืออนาถาปินิกาเศรษฐีเนี่ยที่เคยเคยเกิดเกิดไว้บ้างแต่รายละเอียดก็จะไม่ลงไปลึกเดี๋ยวก็จะเป็นกลายเป็นเล่าเรื่องนนอ น, งอ า, นาถาปินิกาก็ยาวไปอีกเรื่องนึงก็คือว่าอานาถาปิณิกาเนี่ยแคอยู่ที่สาวัตถีอยู่แฟร์โพสต์แต่ก็น้องสาวก็อยู่กรุงราชคลึกแต่งานกัเศรษฐีราชคลึกหาเศรษฐีก็ไปเยี่ยมน้องสาว ก็ไปหาพี่เขยใ น, นทำนองอย่างนั้นเองปกติเนี่ยบางทีก็ปีนไปครั้งสองปีสาปีไปครั้งไปแต่ทีก็อย่างนั้นไปทั้งเกวีนมีทั้งคนอรักขาไปอย่างทีเสรษฐีโดยมากก็ไปค้าขายเศรษฐีเวลาไปทําเมืองต่างๆสมัยนั้นก็จะมีการติดต่อค้าขายกันใช่ไหมมีทั้งบกบ้างทางเรือบ้างแต่ที่สาวถีกับที่กรุงราชพฤกษ์นเนี่ยก็ไปทางบกไปทางบกก็ใช้เกวียนยุคนั้นก็ถือว่าโค้ชสุดห เกวียนยังก็แต่แม่โบราณยังเคยเห็นเลตอนตอนเด็กๆเวลาเข้ามากันอย่างทางจังหวัดหน้าจังหวัดแพร่เขาใช้เกวียนยุคนั้นเขาใช้เกวียนมาเขาก็ใช้เกวียนบรรทุกพวกของกินของใช้เนี่ยมามามาแลกเปลี่ยนเราก็มีข้าวแลกเปลี่ยนเขาก็ไม่ซื้อขายกันเนี่ยเขาใช้ข้าวบางทีก็ใช้ข้าวบางใช้ถั่วบางใช้งาบางเป็นเติมแกล้ม มีการแลกปาลาบางปลาบางแรกของกินบงงางผลไม้เลยกันเรียสมัยนั้นก็เป็นมาปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปขาดึงต้องใช้เงินแลกพอไปก็จำที่ได้เคยเล่าในะเลยที่บอกว่าพอไปหาท่านราชเชกนาเสรียีไปครั้งนี้ราชเชกนาเสี ย, สยีรู้สึกจะไม่ค่อยมีเวลาต้อนรับคุยคำสองคำก็รีบไปสั่งงาน แล้วก็ไม่มาแลก็นั่งแ่ดใจจนมืดคำ่ำพอมืดค่ำเสร็จเสร็จก็คือท่านราชอาณาเษฐีจัดงานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มากขาบอกเออขอไปเช่นนี้ไม่ได้ต้อนลำเมืนครั้งก่อนก็เลยถามเออมีเรื่องอะไรบอกว่าพรุ่งนี้เช้าที่บนพุทธเจา้าพร้อมที่พิกสูจน์สมจะมาฉันพระธรรพอได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าหรือได้ยินคําว่าพุโทโธ น, นแก่ตื่นเต้น ในคนที่มีบุญเนี่ยเคยสร้างอธัธยาศัยเคยเจริญพุทธานุสติเข้าไวน้นเนี่ยพอได้ยินคําว่าพ่อพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นนี่แค่นั้นตื่นเต้นก็ถามบอกว่าไกลไหมจากนี้ไปโอ้ไกลปัญญาอยู่นอกมืออยู่นอกมือทีนี้ก็จะทํำยังไงจะไปทำไม่รู้เอาไว้วุ่งนี้ก็เจออยู่แล้วจะไปจะต้องวน้ายไปทําไมแค่ก็เชื่ออยู่ก็รีบเข้านอ น, อน ทีนี้นอนก็ น, นอนไม่หลับเนี่ยนะคนที่คนที่เขาเจริญพุทธานุสติหรือคนที่เขามีบุญเนี่ยนอนไงก็นอนไม่หลับตาก็สว่างพิจิเกิดเนี่ยคือปาโมดปิติประฏิสัที่ความสุขก็เกลดอยู่เนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งๆ้งที่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงลักษณะอย่างคิดอยู่นั่นแหละทีนี้แรงกระตุ้นเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าคนคนเขามีบุญในเวลาเขาบุญส่งผลเนี่ย คนคนยับยั้งไม่อยู่เออนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกมากเป็นเรื่องแปลกกระเด้งที่เคยกล่าวไว้ที่บอกว่าในในมันชฌิมนิกายมัชฌิมปานาตในกีตากีาการโสตที่พระเจ้าจัด ง, งานการตั้งอยู่ในอราธกุลหมายความว่ า, วาถ้าคนที่จะบรรลุเนี่ยตั้งแต่โสดาปฏิมากสกาธาคามัชฌนาคามัชฌอาราธมาหรือโสดาผมไม่ต้องไปเจนถึงอราธกุลที่ คนที่จับบรรลุจริงๆหรือคนที่บา ร, รมีก็ทำเขาแก่กล้าจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าโดยการศึกษาโดยลํำดับด้วยการทําโดยลําดับด้วยการปฏิบัติโดยลําดับก็คือว่ากุลบุตรในพระธรรมวินัยนี้เกิดศรัทธาแล้วเข้าไปใกล้ตรงเนี้ยอนาถาปิณิกข์มีตรงนี้เนี่ยเวลาเกิดศรัทธาแล้วเนี่ยตัวศรัทธาเนี่ย ศรัทธาที่ประกอบกันกับกุศลจิตของท่านในกระานนั้นเนี่ยมันเพิ่มมากคนเราในเวลาศรัทธามั น, นน้อยๆเนี่ยมันไม่สามารถจะขับเคลื่อนนะไม่ตนเองต้องลุกเดินไปฮะไปที่จะไปฟังธรรมนี่เวลาศรัทธามันเกิดใช่ไหมพอเกิดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ยิ่งแสงสว่างก็เกิดแสงสว่างก็เกิดในใจเยเกิดเกิดจนมองข้างนอกก็สว่างไปด้วยเนี่ยนะแต่ศรัทธาเนี่ยพอมันปริมาณของศรัทธามันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น แล้วมันต้องยิ่งมีกำลังมากขึ้นยิ่งคิดถึงกคำว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระาเจ้าพราะองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นต้นยิ่งคิดอย่างเงี้ยคือเขาต้องสนธนากับราชพิธายเศรษฐีอยู่แล้วนะพระเจ้าเป็นอย่างไงก็ทอสนธนาแล้วก็เสาีาในอนไม่ได้แล้วเนว่องจากกระทาแล้วเข้าไปใกล้ไอ้ตัวเมี้ยที่ขับเคลื่อนนั้นให้ข้นเข้าไปใกล้เนี่ยก็อยู่ไม่ไหวแล้วคิดว่าโอ้ถ้าจะรอให้พ่งนี้เช้ามีสงสัยเราเราทนไม่ได้ พอเที่ยงคืนผ่านไปแล้วว่าหลังมัชย์มัชมัชมยามผ่านไปแล้วลุกไม่บอกไปแล้วลองอยาประจับไปอะไรตัวเนี้ยพอไปเนี่ยไอแสงสว่างที่เกิดจากปีเต็ที่ตัวเองเกิดเนี่ยมองอะไรมันก็ทะลุปลุกปลงไม่หมดเลยพอออกออกไปพอเข้าที่มืดทุกนี่ความตัวก็ามาปูมาแทนที่จ ะ, จะกลับโอ้ที่เราเดินออกมาได้ยังไงเยสธ า, ามันหดลง นี่มีเสียงเสียงดังมาข้างหลังก็บอกว่าเป็นเป็นเป็นเหมือนกับพกยักษ์ตะโกนบอกเอยเดินหน้าแล้วจะไปถอยทําไมใช่ไหมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยโอกาสที่จะไปเฝ้าพุทธเจ้ามันไม่ใช่ของง่ายๆเป็นตนน้นเหล่านี้พวกฟังนี่ลบเธอนศรัทธาถึงไปไปขนาดว่าไปถึงป่าสีตะวันไปถึงไอ้ป่าช้าถึ ง, ง, ถงอะไรเป็นต้นศพเกลื่อนไม่หมดมนในวันศพไปทิ้ง เรื่าก็ต้องเดินกลับอยู่เแต่นี่โดยการที่คนที่มีศรัทธาเข้าไป <c oughs> พอเข้าไปเนี่ยตอนนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จจมกลมอยู่ประมาณ 3. ตีสามแตนไม่ใช่ใช้เวลา น, น้อยๆที่เดินไปเนี่ยไ ม, ไม่ใช่ใ น, น้อยประมาณตีสามพระเจ้าเสด็จจมกลมเห็นแสงสว่างเห็นอย่างนั้นก็เกิดเกิดปติดก็โหลดแรงขึน้นทีนี้ไม่ไม่ใช่โหลดแรงธรรมดาพระเจ้าทัก ดูก่อนคือทา ต, ตักเพื่อความพอดีพูดเันบอกเว่าว่าเชิญขอเชิญมานั่งตากพระจุลเสด็งทั้งหูแค่นี้ว่ศรัทธาก็เกิดที่บอกว่าคุลบุตรในพระธรรมวินัยนี้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้แล้วย่อมนั่งใกลน้นะเข้าไปใกล้แล้วย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วย่อมเงี้ยวโสดลง อันนี้คือการตั้งโสตคือตั้งใจที่จะฟังเมื่องนนี้โสตลงแล้วย่อมฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็บอกเออสถาพธจักแสดงธรรมอย่างนี้นเมื่อฟังธรรมแล้วย่อมทรงจำธรรมนั้นไว้ตรเนี้คนอายุ ก, ก่อนเวลาฟังธรรมพบเนี่ยก็จะจําได้ทุกทุกคําอันนี้คือเป็นความพิเศษของคนมีบุญเป็นอย่างนี้นเวลาฟังพระพุทธเจ้าแสดงเวรไปตามลาดับเนี่ยค่อนข้างจําได้หมด นั้นเคนในก่อนเวลาคุยอะไรกันปุ๊บเนี่ยเขาจะจําได้เหมือนกับเคปบันทึกเลยเนี่ยอันนั้นเป็นเป็นปกติของคนในยุนัถึงบางคนจําไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่สาระที่สำคัญมันจะจําค่อนข้างได้หมดนี่นี่เราก็ต้องมาสังเกตดูในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งความเสื่อมทางด้านสติปัญญาต่างๆเลยที่มันมีเพราะอะไรเราก็ต้องดูว่าโลกใบนี้ที่มนอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้กี่หม่นกี่พันปีแล้วใช่ไหม ความสมบูรณ์ของสารในด้านของดินน้ำไฟลมเป็นต้นเหล่านี้ยที่มันจะเป็นอาหารต่างๆที่วสีกินรดโอชาธาตั้งหลายของดินของอากาศของสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันลดไปเยอะแล้วก็มีสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาเยอะนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือบุญของคนที่ทํามาใช่ไหมมันก็มันก็มันหลายๆอย่างมันมารวมรวมกันเป็นเสร็จก็เดยกลายเป็นคนอย่างนี้ดีที่สุดได้แค่ ไ <Salvador> ด้แค่นี <online> <sh arp> ้ดีที่สุวก็ย่อมทรงจำธรรมนั้นไว้เมื่อทรงจำธรรมนั้นแล้วก็ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจํานั้นไว้นั้นเขาจําได้ไม่พอเขาก็ทํานั้นมาพิจารณามาไครกลุ่มเมื่อพิจารณาเนื้อเนื้อความแห่งธรรมนั้นอยู่ทำทั้งหลายย่อมทนต่อความพินิจก็แปลว่าจะเพ่งพิจารณาอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าพระพุทธเจ้ากล่าววันนี้ อย่างยกตัวอย่างเช่นลักษณะของเวทไกรรูปนี่จะต้องลักษณะเฉพาะตัวขเขาก็คือมีการสลายไปก็เย็นในร้อนเนะีเพราะวีโรที่ปัจจัยมีความเย็นร้อนเป็นต้นเวทนาลักษณะของเขาก็คือสวยอารมณนะ์นั้นสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาลักษณะของเขาก็คือจํมมาอารมณนะ์นั้นสังขารก็ปูงแต่งทั้งบุญและบาปวิญญาณก็รู้อารมณ์ทางๆาหูจมูกล้นกายใจเป็นต้น นี่ลักษณะเฉพาะตัวเป็นอย่างนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังารวิญญาณหรือกายกับใจนี่นรวมเป็นเสร็จแล้วทั้งทั้งสิ่งเหล่านี้หรือทั้ง5้าประการหรือสรุปสองประการนี่รวมเป็นเสร็จก็ตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์กาวคือไม่แยกเป็นทุกข์และเป็นอ น, าานัตตามันทนต่อการเพ่งแบบนี้ถึงจะเพ่งยังไงเพ่งเมื่อไหร่มันก็จะชัดเจนอย่างนี้ถ้าเพ่งลักษณะเฉพาะตัวเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะ ต, ตัวแบบนี้ถ้าเพ่งสามัญลักษณะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลง ความที่จะต้องถูกบีบคั้นด้วยความเกิดและความดับหรือตลอดถึงว่าบังคับบัญชาไม่ได้ก็จะเห็นความจริงอย่างนี้ก็ทําทั้งหลายย่อมทนต่อย่อมทนความพินีน้ได้เมื่อทําทั้งหลายทนต่อความพินิจได้หมายความว่าถ้าเราคิกถล่มหรือพิจารณาเนี่ยสบายว่าทำนี่เนียแลว้วก็เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงนี่ถ้ายิ่งเข้าใจใคําสอน ม, มากเท่าไหร่ชันทักก็จะเกิด ฉันท่คือความพอใจเกิดเมื่อฉันท่เกิดแล้วเนี่ยจะเกิดอุตสาหะและ้วเริ่มแล้วเริ่มจะตั้งความเพียร <c oughs> เมื่ออุตสาหะแล้วก็จะไตร่ตรองเอามาไตรตรองเอามาไขาว้ควัเมื่อไตร่ตรองแล้วก็ตั้งความเพียรเมื่อตั้งความเพียรแล้วก็ทําให้แจ้งซึ่งบรมสัจจะบรมสัจจะ ก, ก็คือเห็นแจ้งแก้มซึ่งบรมสัจจะกล่าวคือพระธรรมนั้นดยยย้วยเพียงจิตหมายความบอกว่าถ้าตั้งความเพียรสรุปก็คือหนึ่งมีศรัทธามีความเพียร มีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาถ้าบอกยินสียห้าแก่กล้าตัวปัญญาก็จะแทงตลอดบรมสัจจะคือแทงตลอดปณิพานก็จะเห็นความดับทุกข์เห็นสภาวะของปณิพานธได้นี่เป็นอย่างนี้มั่อนาฏาพิจิกาเสถียรไปฟังธรรมอยางพระพุทธเจ้ า, จาท่านฟังธรรมแล้วท่านท่านก็ดัได้ผลพอเปลียนเสร็จแล้วท่านก็ลาตนานิมนต์พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ไป ท่านพระทหารที่บ้านของท่านอยูหลังจากต่อไปอีกวันหนึ่งแล้วก็นิมนต์ไปเสวะทีพระเจ้าประลับด้วยดุยดยสิตท่านก็ดีใจก็าบลาแล้ว ก, ก็นี่เหตุเหตุแบบนี้ทีนี้พอกลับมาเนี่ยท่านก็เตรียมใช่ไหมเตรียมหมูสร้างพ้นทางสร้างอะไรต่างๆแล้วก็ไปติดต่อไปติดต่อที่ของพระเจ้าเช่นอุทยานของเจ้าเช่นขอซื้อ เดี๋ยวเี๋เาขายราคาก็คือว่าซื้อทั้งหมดเท่าไหร่สี่สิบห้าเออห้าสิบสี่โกดด้วยการเอาเงินหนึ่งสิบแปดโกดทีปูเต็มบริเวณพื้นที่สิบแปดโกดที่นีน้ใช้เงินปูซื้อแล้วก็ บริจาคเป็นค่าสร้างเสนาสนะอีกสิบแปดกฎแล้วก็เป็นค่าฉลองวิหารอีกสิบแปดกฎฉะนั้นอารามนั้นจึงเรียกว่าอนาถาปิณิกัสสนี่เป็ น, นีนะทีนี้ในอารามของอนาถาปิณิกะที่พรบอดีนั้นคําว่าเชตะวเนี่ยในคําว่าเชตะวเน่เนี่ยอนาถาปิณิกัสสอาราม เ, เป็นการระบุถึงเจ้าของคนแรก ัำเชียรตวะวันเน่เนี่ยระบบของเจ้าของคนแรกคืออย่างนี้นะว่าพอเงินปูไปเ็ดเสร็จแล้วเงินหมดเหลือตรงตรงซุ้มประตูก็ะจะกลับสั่งให้คนไปเอาเวียนมูลทุกเงินมามาปูวางมา ก, โโการการซื้อที่อย่างนี้ยังไม่เคยมีใช่ไหมยังไม่เคยเห็นนะใช้แบงใช้เงินปูไปเงี้ยแล้เพืที่ คือทำกันด้วยศรัทธาที่พระเจ้าเชษบอกว่าส่วนตรงนี้ตอ น, นเองก็จะมีสุขพระเจ้าเชษฐ์ก็ก็บริจาคเงินบริจาคเงินด้วยการสร้างสร้างซุ้มซุ้มประตูคือราชบุมาษพระนามว่าเชตานั้นน่ยบริจาคทรัพย์สิแปโกดที่พระองค์ได้มาด้วยการขายสถานที่ในการสร้างและท่านกะมาสร้างซุ้มประตูและประสาท แล้วก็เบิกจากต้นไม้ซึ่งมีค่าหลายโคตรไงใช่ไหมเพราะตอนเป็นสวนนี่ทันไม่ขายต้นไม้ขายแต่ดินเพราะต้องการบุนเงินนีคนบางคนเวลาไม่ได้ศึกษาตรงนี้ให้ดีเนี่ยก็จะไป น, นึกว่าเชื้อสายปุมาพระเจ้าเชื้หรือเชืสาราชปุมานเนี่ยงอกหรืออะไรเงี้ยแท้ยิงไม่ใช่เล ย, เลยคือว่าคุณได้บุญเราต้องได้บุญนนใช่ไหม ก็หนึ่งต้นไม้เป็นของเทศษาลจุมารณประการต่อมาคือว่าที่ตรงซุ้มประตูนั้นตนเองตนเองเอาเงินมาสร้างเองมาสร้างซุง้มประตูเฉพาะซุ้มประตูสร้างหมสิบแปดโกนไม่ไม่ธรรมดา <c oughs> ฉะนั้นอาาถาปินิกาเศรษฐีเนี่ยนะ <c oughs> ต้องดีในเบยจากรับห้าสิบสี่โกรแล้วก็ชักชวนผู้คนเนี่ย ร่วมทำบุญแล้วก็ได้ถือชนทั้งสองนั้นเป็นแบบอย่างต่อมาหลระพ่อวันนัน้เวลาพระพุทธเจ้าแสดงทมที่ไหนจะแสดงบอกว่าอนาถปิณิกะเชเอยก็ตัวอย่างเช่นในในสู่สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนนี่บอกว่าประทับอยู่ที่วิหารเชตาวันหวิหารเชตาวัน แทุกสู่แต่ี๋ยเวลาพระเจ้าสแสดงที่ตรงนี้ในเ้อเสียงมีมากที่สุดสมัยหนึ่งพระพมทธมพระเจ้าสเสด็จประทับณอุหิหารเชตวันอารามของอนาถาปิณิกข์เศรษฐีเขียนพระนครเสวทิจะมีแบบนี้จากนั้นคําว่าเชตวันนั้นระบุเจ้าของคนแรกอนาถาปิณิกั์สอารามีนั้นระบุถึงเจ้าของคนคนหนสรุปแล้วก็คือว่ามีเจ้าภาพอย่างอยูอย่สองท่าน แต่นาถาเบี่ยงยากมากกว่าทีนี้อนาถาพิาทิกษ์เศรษฐีก<ม>็ก็เลยตั้งชื่อวัดเชววดเอวะนี่ไม่ใช่วัดของนาถาพิทิกษศแต่พระพุทธเจ้าก็แสดงว่าแสดงว่าวัดที่เป็นวัดของอนาถาพิาทิกา์เศรษฐีเป็นผู้ข์กันก็เลยมีชื่อสองสองเมนสองเจ้าของเป็นแล้วก็ดังมาไดทุกวันเป็นสองพันกว่าปีใช่ไหมวัดนี้ แล้วก็ยังมีทราบกลัดหัดพันเวลาเราไปสักการะบูชาก็ยังเห็นยังได้ชื่นชมบุญบาร ม, มีของทั้งสองท่านว่าโว้ั้งได้ขนาดนั้นนี่เป็นนี้ฉันอาณาถาปินิกาเสถีเนี่ยแกท่านท่านเป็นคนที่ตอนนี้เป็นเทวดานะเป็นพระโสดาบานันเป็นเทวดาท่านมีความสุขท่านสบายแล้วเป็นพระเศรษฐาบุคคลเป็นภรรยาบุคคล มันไม่มีไม่ต้องลงอบายแนละ้วจะมีความสุขมัเหลือเหลือพวกเราว่าเออเราจะทํำยังไงปิดอ บ, บายอย่างท่า น, นแล้วแล้ ว, ล ว, ลวท่านปรารถนาเป็นแฝงด้วยนะท่านจะเที่ยวทุกภูมิด้วยน่านนจะเปนการเดือดสีเป็นเขาเรียกเป็นวัดตาพิระตาโสดาบันเป็นพระโสดาบันที่ปรารถนาที่จะท่องเที่ยวในทุบภูม <c oughs> <c oughs> ิึ้วยนี่คือท่านไม่ไป บ, ยบยปยภูมิแล้วใช่ไหม คือชีวิตก็ยังเกิดแต่ก็ไม่เจ็บปวดเหมือนผุ้ดูชนแปลว่าท่านเที่ยวได้สบายๆสามารถจะอยู่ท่านพระเจ้าองค์ต่อๆไปเนี่หลายคนก็ที่ชอบเที่ยวกัน้องท่านทำได้อยางไง และคืเรื่องของท่านนานาถาพินิการพินิการเศรษฐีแต่ในรายละเอียดจะมีค่อนข้างเยอะๆนะมื่มีเวลาเขค่อยอภวรท่านมาแล้ที่ในที่นี้จะกล่าวถึงในเรื่องของสักครู่พูดถึงในเรื่องของอาสวะถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีภาคเจ้าจึงตรัสพระสูตรสภาสวะสังวรปริยายางโงพิคเวเป็นต้นตอบว่าเพื่อทรงแสดงถึงข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ ก็คือว่าพระพุทธองค์ต้องการจัดแสดงว่าเออทำอยังไงสัตว์โลกทั้งหลายจึงจะพ้นจากการมาสวะอาสวะคือกรรมภาวาสวะอาสวะคือพบอาวิชาสวะอาสวะคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยใช่ไแล้วพระองค์แสดงบุรุชนผู้ไม่ได้สดึกษาแล้วก็ไม่ได้พบไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะของสัต์บุ อันเป็นปรตโตโคสะว่าทําให้ปุถุชนนั้นไม่รู้ธรรมที่ควรใส่ใจไม่ควรพิจารณาเมื่อไม่รู้ไม่พิจารณาธรรมที่ไม่ควรพิจารณาไม่พิจารณาธรรมที่ควรพิจารณาก็เป็นเหตุให้อาสวะสามเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้กามาสวะอาสวะคือกามความไข่ความติดใจในการบัคุณอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้ภาวาสวะอาสวะคือพบความยินดีพอใจในพบความยินดีพอใจในการเกิดเป็นต้นเกิดขึ้น แล้วก็เป็นเหตุให้อาวิชาสวะอาสวะคืออาวิชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงเก่าคือความหลงมี่เกิดขึ้นนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยนี่เป็นเหตุให้อาสวะเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านก็แสดงอาสวะบอกว่าคํำว่าสภาสวะสังวรปริยาอย่างความว่าเป็นเหตุสํารวมเป็นเหตุให้ระมัดระวังอาสวะทุกอย่างมีการอาสวะประวาตสวะวิชาสวะเป็นต้น เป็นเหตุให้อาสวะเหล่านั้นภิกษุพึงระวังพึงปิดแล้วย่อมถึงความสิ้นไปกล่าวด้วความดับไปโดยไม่ให้เกิดขึ้นทีนี้คืออันภิกษุย่อมละได้ได้แก่ย่อมไม่เป็นไปเนี่ ย, ยคำว่าอาสวา น, นั้นเป็นชื่อของอาสวะคำว่าอาสวะมันก็แปลว่าไหลไปถามว่าอาสวะนี่ไหลไปนะ่ะไหลไปทางไหนคือไหลออกทางจักรสุบ้าง ไหลออกจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจอาสวะไหลไปอย่างนี้บอกอาสวะที่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลเป็นยังไงบอกยินดีก็ได้ใช่ไหมเกิดความรักความยินดีความพอบใจอบใจก็ได้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ชื่อชื่อว่าไหลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปรารถนาที่จับได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือปรารถนาการเกิดนี่ก็เป็นกามราวาสวะ และก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเนี่ยพวกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาการไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างเนี้เกิดขึ้นก็เพราะอาวิชชาสวะคือความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงเกิดขึ้นเห็นไหมบอกพอะยินดีตายินดีหูยินดีจมูกยินดีลิ้นยินดีกายแล้วก็ยินดีใจอันนี้เป็นการมาสวะเมือ่อยินดีแล้วเราปรารถนาที่อยากจะได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจปรารถนาที่จะเกิดใหม่ก็ต้องการมี ตาหูจมูกนิ้วกายใจที่เป็นเมะวานสวะและโทษของการไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นน่ะตกอยู่ในกฎตายรักนะสาวถือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนาตาไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็เรียกว่าอวุชชาสวะเห็นไหมว่าอาเสวะจะเกิดขึ้นในเราอยู่ตลอดเวลาตรงนี้มันไหลแล้วมันก็ไหลมานานแล้วใช่ไหมไหลจนเรามีความเย็นดีเพื่อเ พ, นเพนในตาหูจมูกนิ้นกายใจทั้งๆ ท, ที่มันไม่ดีเนี่ย ท่านถึงบอกว่าไหลไปออกทางจักรสุบ้างทางโสตบ้างทางน่บ้างคิวหาบ้างแล้วก็กายยาบ้างมโนกับปัจจยบ้างอีกอย่างหนึ่งอาสว่นั้นเมื่อว่าโดยทำไหลไปจนถึงโคตรภูนะไหลไปถึงโคตรภนะูหมายความาว่าเวลาเจริญวิปัสสนานี่เริ่มตั้งแต่นามรูปปริเคทญาณปัจจะยะพฤกษายานสัมมสนญญาณอุทยพญยาณ แล้วก็อาธีนวายานนิพพิทายานบุนจิตุกรรมยาตายานปฏิสังขารญาณสังขารเปรเขาญานอนุโลมยานเนี่ยแล้วก็โคตรรูยานเห็นไ้มคือโคตรระพูญาณถ้าใครจริญยวิปัสสนาไปจถึงในชั้นของโคตรระพูญาณแปลว่ากําลังจะข้ามข้ามจากปุถุชนเป็นทญายาบุคคลแล้วฉะนั้นขณะกาลังจะข้ามช่วงขณะจิตชั่ววิถีหนึ่งๆเนี่ย ชั่ววิปัสนาญาณหนหนึ่งเนี่ยชั่ววิถีหนึ่งหนึ่งหรือจิตขณะจิตหนึ่งหนึ่งอากโคตรปูยานเพื่อจะไปเป็นมัรคยานเนี่ยเพื่อจะไปเป็นโลกุตระเนี่ยแม้ในขณะนั้นเนี่ยอาสะวะเขาก็ยังไหลไปถึงอยู่คือสภาพจิตตอนนั้นยังเป็นอารมณ์ให้กับกา ม, มาสะวะได้เพราะว่าสวะอวิชชาสะวะเป็นต้นจะเห็นหี้มยังเป็นที่ยึดหน่วงของกิเลสได้กิเลสยังสามารถไปถือจิตเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ได้ เขาบอกว่าโดยธรรมะมันก็ไหลไปจถึงโคตรภูมเมื่อว่าโดยโอกาสโลกเนี่ยไหลไปถึงไหนว่าไปพบไปภูมินู่นไปถึงพวะ ก, ก, ว ก, กรภูมิพวะกระพมเพราะภาวะกระพมเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างเข า, าเรียกภาวะข้ามเป็นระดับสูงสุดแล้วยกตัวอย่างเช่นภูติชนภาวะค้ามเนี่ยสูงสุดของภูติชนเนี่ยเวหพาพราปุ๋มเนี่ยในเวาหลาลราภูมิเนี่ยอาสวะมันไหลไปถึง หรือสับพาพวะคานี่ยยกตัวอย่างเช่นเนวะสัญญานะสัญญายญาณภูมิในอ่รูปเนี่ยนี่นเน่ยอชวกอะก็ไหลไปถึงภูมินัหรือเอาว่าอริยาพวะคาเอากนินถาภูมิเนี่ยขณะเป็นผ้านาคาเนี่ก็อยู่ในชั้นสูงสุดแล้วรอวันจับเป็นผ้าหายและจะไปริพานกา ม, มาส ว, าวะเขาก็ไหลเกี่ยวเข้าไปเอาวิชาสวะเขาจะไหลกันหนึ่งพวะสวะไหลไม่ไหลเขายังยินดีนี่พบอยู่ไหม แ ม, แม้แต่เป็นผ้านาคาเอเนะียความยินดีความเพลิดเพินความพอใจในภพยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นยินดีพอใจในพบที่บริสุทธิ์พบที่ไม่มีบุุชนเกิดกลั้วเลยเนี่ยเขาเรียกสุดทาวาสภูมิเนี่ยเขาแปลภูมิที่บริสุทธิ์มากแปลว่าถ้าใครที่จะมาเกิดในภูมินี่ต้องยางคัดกันอย่างนี้เลยแปลว่าหนึ่งคุณสมบัติข้อแรกต้องเป็นผ้านาคาถ้าไม่เป็นผ้านาคาเนี่ยเขจะไม่ให้เข้าภูมิ คมเหล่านี้เห็นไหมขนาดได้คมเหล่านั้นเนี่ยแต่ถึงคุณเป็นบ้านาคาคุณก็ไม่วนอยากเราเช่นคุณ ย, ยังยินดีในการเกิดไหมยินดีเพื่อเพลินในการเกิดแล้วอย่างบางอย่างคุณยังไม่แทนตลอดสัจจะก็คือ ย, ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระ่าชนิพนธ์เอาวิชาสวาก็ไหลได้ถึงขนาดนั้นนี่เป็นอย่างนี้นี้นี้เป็นโทษนั้นเราก็ต้องพิจารณาดูนี่อาสวะไหลขณะ น, นี้ว่าด้วยธรรมะไหลไป ย, ยันเกิดควรจะใกล้บรรลุ แค่ช่วงขนาดจิตหนึ่งถ้าข้ามไปขนาดจิตหนึ่งก็เป็นผ้าริ้วแล้วเนี่ยตอนนั้นก็ยังล้งา ง, อองไว้อยู่เนี่ยยังเป็นอารมณ์งอได้อยู่เนี่แต่ถ้าเป็นพวกโลคุตระจิตเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นอารอมณ์อาสวะมันก็ไหลไปอย่างนี้ฉัน ช, ชื่อว่าอาสวะอาสวะเหล่านั้นทํำทำเหล่านั้นและโอกาสเหล่านั้นไว้ในภายในด้วยอํานาจแล้วก็เป็นไปแล้วก็ทําให้เป็นไปที่นี้ ชื่อว่าอาสวะเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนของเหมือนของหมักดองมีน้ําเมาเป็นต้นเป็นเหมือนของหมักดองมีน้ําเมาเป็นต้นพวกสุราเนี่ยเออพูดถึงตาตาเนี่ยตอนเป็นคาราว า, าจะกินเหล้าเนี่ยติดเหล้าเป็นตา เมาจนคนเขาพากันพ wow, ูดโอ้โหชาตินี้จะเป็นคนดีเขาได้แ okay, ล้วแกกินเหล้าเมายากินแต่แกก็แกประเภทที่คงจะเป็นแบบนักเลงนักเลงนี่คือคือเป็นคนแบบว่าพูดจริงทําจริงแล้วทุกครมีปัญหามีความทุกข์ก็ไปหาแกแกมีเวทมนตร์คาถาเยอะคนยุ่นั้นึง คาถาอะไรจะช่วยเหลือนคนเรื่องต่างนคนก็ไปหาเงี้ยจะมีตำราพกตำราหมอดูตำราอะไร น, นี่แแต่แกแกแกไม่ให้ใครเลยเนี่ยคาถาอาคมเรื่องต่างๆแกไม่ให้ใครแล้วแกเป็นคนคาถาอักคมแบดีจริงๆด้วยเ้าเล่าเงี้ยเลแล้วโดยมากแ ก, แกบอกแกไม่สอนแกเราก็สอนแล้วเดี๋ยวว่าบอกว่าจะไม่จะไม่รู้แกเนี่ย สมัยก่อนเวลาหาที่ทางนแกก็ไปจับจองเลยเวลาแกไปเขียนชื่อแกเขไว้ว่าตรงนี้เป็นที่ที่แกไม่มีค่าในยุคนั้นเนี่ยแกแกไปจับที่จองที่เราไว้เนี่ยเยอะตอนตอนแกจะบวชเนี่ยแกก็ไปนั่นที่ไว้ให้ลูกหลานให้ให้แม่โดยมากให้แม่ยกแม่จับไว้ให้ห้าร้อยลาห้าร้อยลเยอะนะ จะเขียนชื่อแกติดไว้ตามต้นไม้พวกสลักนี่ใกล้าแก้แกออกข้บวชพอบวชเบเสร็จเนี่ยอุปชาเขาตั้งใช้ยาลงบทพบเนี่ยที่เป็นแกที่อาจะไปดูอุปัจฉัยตั้งใช้ยาใช้นว่าอาซซอาซซเด็ดแปลว่าหมักดองเด็ดแปลว่าเล่าคือคือที่รู้่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมไปเจอใบสุดที่ที่แกทิ้งเอาไว้แล้วแล้วก็อาจารย์ก็เก็บไว้ ก็มาให้ก่อนจำบวชก็ดูแต่ก่อนก็ไม่รู้เลยธรรมะอาทะโวนแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมพอมาศึกษาอ๋อแปลว่าหมักดองแกวสุราก็คงจะเป็นตั้งแบบให้แกระลึกอะไรเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอยู่อยู่กับเหล้าอยู่กับอะไรมาตลอดนะแล้วต่อมาแกก็บวชประพฤติปฏิบัตินะบวชประพฤติปฏิบัติโยมยายก็โยมยายก็โหว่าโกรธมาก หนีบวเลยี่นเกดาว่าเลยแกก็นี่อยู่ต่อมาพอแกบวชได้หลายปีแล้วแกก็มามาลาโรกหลางแกเออกูอนคนบราณนคุณเกรจะไม่กลับมาเลยนะแกก็เตรียมมีกฎมีบาตรแกแจะเข้าข่าแล้วแล้วกมึงก็อยู่กมาินเทียกันแล้วแต่นั้นเนี่ยแกก็หายเข้าป่าไป รัฐบาลไม่รู้ไปไหนหายเข้าป่าไปเลยตอนอญญาจารย์บวชใหม่ๆเขากลัวจะเป็นกันอย่างเนี้เขาตอบาห ม, มา่ๆเขากลัวจะหนีนเนี่ยเะไรอะไรไม่ไม่ไม่ศบกท่านท่านไปอยู่ไหนไม่แต่แกเป็นคนชำนาญในการอยู่ป่ามากๆนละยเพราก็กเป็นทานป่ามาบอกแกรู้แกเป็นดีท่านเข้าป่าดงเด็บในยุคนั้นใช่ไหมยังทุ่งแสล ง, ลงขึ้นเขาไป ไม่รู้ไปยังไงแล้วก็บางทีเราก็ตามไป ท, ท, ทั้ทงท่าหมาใจทำพิโลกมันเชื่อมต่อกันได้เพชรบูรีพิพโรค น, นั่นกันถ้าไปถามบางคนก็คือ ม, มีเหยื่มาบ้างแล้วก็หาไปมีออกมาบินบ้ า, บางอะแล้วก็ไม่รู้แล้วก็เลยไม่เหยื่อหาไม่เจอหาศพไม่เชจ อ, อถ้าอยู่ก็ร้อยกว่าก็ไม่ไหว <laughs> แต่แกเป็นคนมีวิชาคมเยอะไม่รู้ไปยังไงกัน เนี่ยพอพูดถึงคำาาว่าอาสวะนี่นึกถึงฉายาท่านก็ ก, ก็เวลาสวดม น, นต์ในางดวยาบุตรกุศลนี่ท่านดูอีนี้เ น, นี่ก็อาศัยแกเป็นคนที่มีมีคนเกรงใจกันเยอะทิดนฉะนั้นคำว่าอาสวะเนี่ยอาสวะเหล่านั้น ที่ชื่อว่าอาสวะเหมือนเหมือนในน้ำหมักดองเป็นต้นก็หมายความว่ากามาสวะพวาสวะวิชาสวะเนี่ยถ้าพูดกันตามทางโลกแล้วเนี่ยมันหมายของของที่หมักอยู่นานๆ น, น้นําเมาที่หมักไว้นานเขาก็เรียกว่าอาสวะเหมือนกันเพราะท่านน้าเมาเป็นต้นนั้นเรียกว่าอาสวะได้เพราะความหมายว่าหมักไว้นานใช่กิเลสเหล่านี้ก็ควรเป็นเช่นนั้นเหมือนกันใช่ไหมท่านก็เลยยกตัวอย่างเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ย น้ำเมาที่มันหมักไว้นานๆพวกข้าวพวกถั่วพวกแรงด่างที่หมักไว้นานๆแล้วมันเป็นน้ำเมาได้เนี่ยฉะนั้นการมาสวะอาสวะคือโลภะเนี่ยทวาสวะอาสวะประกล่าวคือโลภะที่ยินดีพอใจในภบหรือทิฏฐิความมิจผิดเป็นต้นตลอดถึงอาวิชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องเรียกว่าสวะได้เหมือนกันคือต้องเรียกว่าสุราได้มันจะเพราะมันทำให้คนเมา อาสวะพ่อหมายเขาว่าหมักไว้นานกิเลสเหล่านั้นก็ควจะได้ชื่ออย่างนั้นเหมือนกันแล้วพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นของอวิชชาไม่ปรากฏคือไม่ปรากฏว่าในการก่อนแต่นี้ไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีอวิชชาดังนี้ก็เหมือนก่อนว่าอาวิชชาเนี่ยถามว่าเราจะไปหาเงื่อนต่อเขายังไม่ได้จะปัญหาว่าอาวิชชาเกิดเพราะเขามีเหตุปัจจัยเขาก็เกิดขึ้น ทนี้อาสวะก็อาจจะทั่วไหลไปคือไหลไปสู่สังสารธาตุการมาสวาาะภาวาสวะวิชาสวะเนี่ยไหลไปในกามภพรูปภพอรูปภพไหลไปหมดในใบภูมิก็ไหลในรูปภูมิในกรรมภูมิทั้งมนุษย์สวรสด์ทั้งรูปภูมิอรูปภูมิเนี่ยก็ไหลไปหมดก็บอกว่าไหลไปในสังสารธาตุอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากิเลสทั้งหลายที่ชื่อว่าอาสวะเนี่ยก็เพราะว่า เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทําให้ประสบความทุกข์ในพระสูตรกล่าวคือกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นมูลเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันโดยชื่อก็เป็นชื่ออาสวะเป็นต้นที่บอกว่าจุนท้าเราได้แสดงธรรมเพื่อความสังวรระวังเหล่าอาสวะอันเป็นไปในทิฏฐธรรมเท่านั้นดังนี้กรรมมันเป็นไปในภูมิทั้งสาม สมหมายก็ว่าคมที่เป็นไปในกา ร, รมาภูมิรูปภูมิและรูปภูมิและธรรมอาคุโสธรรมที่เหลือทั้งหลายที่ชื่อว่าอาสวะในคำนี้อาสวะทั้งหลายของเราที่เป็นเหตุให้เข้าถึงความเป็นเทพหรือเป็นคนธรรมที่เหาะเหินได้และเป็นและเป็นเหตุให้เราพึงไปสู่ความเป็นยักษ์ความเป็นมนุษย์และพึงเป็นสู่อันทชากําเนิดสิ้นไปแล้วอันเราขจัดไปแล้วทําให้พินาศไปแล้วก็แปลว่าพระเจ้ายืนยันนะบอกว่าอาสวะเนี่ย ของพทธเจ้าที่เป็นเหตุเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดา ห, หรือเป็นพรหมเนี่ยไม่มีแล้วไปเป็นคนทันหรือจะเป็นอาสวะที่เป็นเหตุในการเอได้ที่จะิืมนะบางคนเนี่ยนะเช่นกลุ่มที่ทําฌานทั้งหลายเนี่ยบางคนก็ทําไปด้วยความที่เขาเขาเียกว่าฌานสมาบัติทั้งหลายที่เป็นโลปิยะฌานเนี่ยจะทําให้เขานั้นเนี่ยสามารถสงบระงับหรือเข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงได้เมื่อเขาเข้าใจผิดเขาก็จเจริญฌาน จเจริญฌานอย่างเดียวนี่ไงแล้วเขาก็ห่อได้งั้นเหตุแหการทำให้เขาห่อนึ่นคือว่ากาลมาสวะวาสวะ ว, วิชาสวะยี่นี่ยผู้เจ้าบอกลาได้แล้วหรือไปไปเป็นยักษ์เนี่ยไปเป็นมนุษย์เนี่ยหรือไปสู่กําเนิดต่างๆไปสู่อันตรชากําเนิดเกิดในคันเกิดในใครเกิดในเท่าใครเกิดในยางเหนียวเกิดพุดขึ้นเนี่ยแปลว่าขจาสิ้นหมดแล้ว แปลว่าอาสวะเหล่านั้นกล่าวคือกรารมาสวะภาวสวะวิาวะชาส ว, วะเนี่ยพระพุทธเจ้าว่จะถาคตทําให้พินาศไปแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นปัญหาของเราเลยนเนีเวลาพระพุทธเจ้าตราจจัสอย่างนี้มันเหมือนว่าคนหมดกิเลสกล่าวคําสอนใช่ไหมให้กับคนมีกิเลสฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าโลภะความยินดีความเพลิดเพลินจะถาพจน์ละไปแล้วโทสะจะถาคจน์ละ้นบทแล้วทําให้พินาศแล้วโมหะก็ทําละไปแล้วทาให้พินาศไปแล้ว เลือแต่พวกเธอท่านยังรัไม่ได้เมีย่ยแนวทางมีอยู่ให้รีบทำเร่งรีบเลยจ้ะผู้องค์กรบอกทีนี้พอบอกแค่อย่างนี้มันก็ไม่หวนหวานใช่ไหมพระเจ้าก็เลยต้องสแสดงโทษที่ถึงเนี่ยถ้าเธ อ, อยังมัวประมาทมัวเมากัอยู่เนยสังสารวัฏเน่ยมีโทษเยอะนะอาสาทะก็มีเนะี่ยทให้ยินดีทําให้เพลินเพลินทำให้ติดใจก็มีแล้วก็ยังมีอาธีนวะนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นมีผู้เป็นโทษมาประชี้เห็นทั้งสองาย ก็ชนิดสันนิษฐานหรือจะพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงก็องค์ก็แสดงแนวทางอุบายแสดงอุบายเราข้อปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะพ้นได้เราฟังไหฟังอาศท่าก็ฟังอาทีนวะก็ฟังนี่ไปไปไประมาณพระเจ้าแสดงนิสสันนินี่คือคือท่าทิพยนเนี่ยแล้วก็มานั่งนึกในใจถ้าเรายังเข้าทิพานไม่ได้เอายัางไงดีเอ า, า, า, เ อ, าอาสะท่าเอาอาศะท่าไว้ก่อนเอาอาทีนี่จะมาเปิด ยิ่งความดีๆไม่เที่ยงพอไม่เท oh> ี่ยงเป็นอาทินาวาเช่นความสุขใจเนี่ยพอความสุขใจเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นอาทินาวากลายเป็นโทษแันดีหรือว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นมีบ้านใช่ไหมเรามีความสุขเพราะมีบ้านมีความสุขเพราะมีรถมีความสุขเพราะมีที่ไร้ที่นามีความสุขเพราะมีเงินมีทองพอมันเปลี่ยนปุ๊บนี่มันจะเป็นทุกข์จรนงๆนะมันอาจจะเปลี่ยนโดยหลายๆฐานนะเปลี่ยนถูกฟ้องแค่นี้ก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เลย นี่เป็ น, นการเข้าไปว่าร้ายผู้อื่นความเดือดร้อนการฆ่าการจองจําเป็นต้นแล้วก็อุ ป, ปัตตวานาณ า, นานประการที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายสวยทุกเนาบายนั้นนี่ก็ชื่อว่าอาสวะเช่นในประโยคบอกว่าเราตถาคตแสดงธรรมเพื่อรลมัดระวังอาสวะอันเป็นไปในทิฏฐธรรมและเพื่อบำบัดอาสวะที่เป็นไปในสัมปรายภพดำนิสคือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยบอกว่า พระองค์เนีแสดงธําเนี่ยเพื่อรลมัดระวังอาสวะเป็นไปในปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยแล้วก็อาสวะทังหลายที่จะเป็นไปในภพหน้าด้วยคมหมายความว่าไม่ให้อาสวะทั้งหลายเกิดขึ้นที่จะเป็นโทษในการประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันด้วยแล้วก็ป้องกันโทษในอนาคต ด, ด้วยก็ในที่ในที่ใดอาสวะเหล่านั้นมาโดยประการใดในที่นั้นก็ควรทราบโดยประการนั้น ในพระวิัยในอาสวะทั้งหลายเราได้มีสองอย่างเช่นในประโยคว่าเราจะถามกแสดงธรรมเพื่อป้องกันอาสวะที่เกิดไปในทิฏฐาธรรมเพื่อบรรดาอาสวะที่เกิดไปในสัมปรายภพเพื่อพระพุทธเจ้าเวลาสแสดงข้อปฏิบัติเขาไว้เนี่ยจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ให้มีโทษในปัจจุบนันเช่นแสดงข้อห้ามเขาไว้เนี่ยเกิดนั้นป้องกันอะไรป้องกันหนึ่งในปัจจุบันเราได้ไม่ทําชั่วแล้วจะไม่ประสบความทุกข์ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อเรามีศีลค่อนข้างดีแล้วเนี่ยสัมประรยายพวพบหน้าแล้วก็ปลอดภัยที่จริงพระพุทธเจ้าสแสดงพระวินยัยญาปิดดกเนี่สแสดงด้วยพระมหากรุณานคือกรุณาสัตว์โลกนะเออสัตว์ไม่รักษาศีลจึงไปยัดเยียดนในอับายใช่ไหมพระองค์ก็เลยเอาศีลมาบอกเลยเนี่ยบอกว่าเนี่ยเนี่ยถ้าพวกเธอทั้งหลายไม่ต้องการไปยัดเยียดในอบายชัฏิครติวินิบาตในโลกแบบ่นี้เาศีลมาถือมาเบลัรักษาเนี่แสดงให้ความกรุณาพระองค์ตาดีเนมองทะลุอุปโภคมอง ว่าเออเนี่ยถ้าไม่มีศีลเป็นเครื่องสังวรระวังป้องกันนะจะต้องไปยัดเยียดนยในในนรกเพราะมีความกรุณาเหมือนเหมือนพ่อแม่กรุณาลูกเห็นไหมเออถ้าหากไม่มีไม่มีการเรียนไม่มีการศึกษาหรือไม่มีการฝึกทักษะอะไรต่างๆนี้ต่อไปในานรกจะเดือดร้อนก็พยายามกนกวนนี้อันนี้พ่อแม่ก็อยู่มอกแค่แ ค, แค่แค่นี้แต่พระเจ้ามองตรุูกบอกบอกว่ไม่ใช่แค่นั้นหรอก ใช่หมถ้าเจอปฏิบัติเีนเทศีน่าจะประหยัดเยียดในทะเลาะนี่ยเอาสีไปแล้วในปัจจุบันนี้ก็จะไม่เดือดร้อนด้วยหนึ่งป้อง ก, อององกอันอาเซี ย, ยในปัจจุบนันสองป้องกันอาเซียนในสัมป์ไรยุพงทีนีเรามองบอกอุ้ยากใช่ไหมการปฏิบัติทำยากถ้าปฏิบัติทำยากนี่อาบายาูมิก็เป็นของง่ายสำหรับเราใช่ไหมถ้าเราปฏิบัติทำอูยย้ยากยากมาอาบายาูพงก็เป็นของง่ายทันทีก็มันก็ต้องมันก็ต้องเลือกอย่าัน ก็เออเราจะเราจะเราจะมันเหมือนว่ามันจะฝืนใจเราในปัจจุบันนี้หรือว่าจะไปถูกการะมานในอนาคตเมื่อตัวมนุษย์คิดจริงๆทีนี้ในสลายตนะวะมีมาแล้วสามอย่างเช่นในประโยคว่าผู้มีอายุอาศัยเหล่านี้มีสามอย่างคือการมาสวะพระาสวะวุชานสวะดังนี้อันนี้กในสลายตนวะท่านก็นสแสดงอาสวะสามประการั ท, ที่ได้กล่าวกามาสวะอาสวะคืการบำบมดดี พอใจในกามาคุณเพราะอาสวะอาสวะคือพบยินดีพอใจในพ บ, พบอวิชาสวะอาสวะคือความไม่รู้ตามความเป็จริงแต่ในภาพพิธรามีแสดงไว้สอย่างนะเพิ่มทิฏฐาสวะอาสวะคือความคือทิฏฐิคือไม่รู้คือความเห็นผิดขึ้นมาเลยกลายเป็นสี่เลยเดนะี๋ยวนี้ฉะนั้นในพิธรามีสี่ในพระสูตรก็กล่าวไว้สามเนี่ยนะว่าโดยปริยาย พิามีสี่เมื่อว่าโดยปริยาจำแนกอาสะวะแล้วมีมาห้าอย่างคือภิกษุทั้งหลายอาสะวะที่เป็นเหตุยังสัตว์ให้เข้าถึงนรกก็มีอยู่เห็นไหมอาสะวะที่เป็นเหตุให้สัตว์เข้าสู่กําเนินดเดือดฉาบก็บมีอยู่สองเลยนะอาสะวะที่เป็นเหตุให้สัตว์เข้าสู่วิสัยองเปรดก็มีอยู่มีสามนอาสวะที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายไปสู่มนุษย์โลกก็มีอยู่มีสี่ อาสวะที่ปฏิเสธศาสต์ทั้งหลายสู่เทวโลกก็มีอยู่อันนี้มีมห้าใช่ไหมอาสวะเนี่ยมีสามก็ได้มีสี่ก็ได้มีห้าก็ได้มีสามคือกา ม, มาสวะทวาสวะอวิชาสวะที่สามถ้ามีสี่ก็คือกา ม, มาสวะอาสวะคือโลภะคือความยินดีพอใจในกรรมนี่ทวาสวะอาสวะคือความยินดีพอใจในภพ ทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฐิความวิปปิธแล้วก็อวิชชาสวะอาสวะอาสวะความหลงไม่รู้ทางความจริงนี้สี่นะอาสวะห้ามีไหมมีบอกว่าอาสวะที่เป็นเหตุให้สัตว์เข้าถึงนรกมีใช่ไหั้นกรมาสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะเป็นต้นเหล่านี้เป็นเหตุให้สัตว์ไปตกนรกมีหนึ่งแล้วและอาสวะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีเป็นรายที่สองอาสวะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปเกิดเป็นเปรตที่สาม อาสวะที่เป็นเหตุษษให้สัตว์ไปเกิดเป็นมนุษย์สี่แล้วก็อาสวะที่เป็นเหตุษษให้สัตว์ไปเกิดเป็นเทวดานะั้นเป็นพรหม้ะที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่อะไรเป็นเหตุอาสวะเนะขอบคุณไหมขอบคุณนะสอาส ว, วะทําให้เราได้เป็นมนุษย์ในตอนอย่างนั้นเราก็ไม่มีโอกาสจะได้เป็นมนุษย์ถ้าเรามองอย่างนี้นะบอกเออดีนะ เหมือนพวกเหมือนตำรวจเนี๋ยก็ขอบคุณจร น, นะเออพวกมีพวกโจนมีพวกก่อการร้ายทำให้ยอดฐานอุนดาษของเรสารสูงสูงขึ้นใช่ไหมเออทำให้เรามีงบประมาณอย่างพวกตำรวจอตหารวจแต่ภาคใต้ก็ขอบคุณจนนะโอ้ยงบประมาณทุ่มไปเป็นหมื่นหมื่นล้านรู้ควาสามารถใช้งบประมาณใช้ไหมเวลาเขตายแต่ละทีได้ตั้งแปดชั้นยอดเจ็ดชั้นยอดอะไรเงี้ยมีการเลื่อนชั้นแน่ใช่ไหมเขาบอกว่าจะขอบคุณไม่ใช่ที่มองในตางค่ไง ก็เหมือนอาสวะที่เป็นเหตุที่เราเป็นมนุษย์นี่เลยก็ทําให้เราเกิดมาทําให้เราต้องมีดิ้นรนต่อสู้ใช่ไหมและมันก็น่าสนุกเหมือนให้เราเพลิดเพลินได้กินอาหารน่อร่อยอะไรต่างๆนี่เป็นต้นนี่มาตรงเงินข้ามเลยเออดีนะเพราะอาสวะทําให้เราต้องปวดหัวมีเรื่องมากมีฟันปวดฟันมีหัวปวดหัวมีตาปวดตามีหลังปวดหลังมีอะไรไงนะี้ยมีเส้นปวดเส้นมีเอ็นปวดเอ็นนี่นะเห็นจะมองงี้ไะ ที่จริงว่าอาสวะก็เป็นเหตุให้เราได้อัตภาพในการเป็นมนุษย์กด็ดีใช่ไหมได้มองนุ่นมองนี้เป็นต้นีนี่มองมองอีจุดหนึ่งแต่อีจุดหนึ่งก็คืออย่างที่อยู่ภาคใ า, ายถ้ามองในจุดได้งบประมาณ ก, ก็ดีได้ชั้นยอดกด็ดีใช่ไหมแต่ได้มองเราต้องเจ็บัวต้องขาขาดต้องทรมานก็ไม่ต่างากันฉะนั้นถึงบอกว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณถ้าเราต้องการที่จะลัอาสวะที่เหมือนกันก็ต้อ ง, งขอบคุณทําทให้เราแก่ทําให้เราเจ็บทําให้เรา สโสกาพุริเทวะทุกขโทมนัสสาละอุปายาก็ดียังธารมงอย่างนี้ก็ดี <S 2> <S 2> เพราะว่าอาสะวะเป็นเหตุให้เกิดเป็นสัตว์นรกอาสะวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นสัตว์จระฉานอาสะวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเปรตและอาสวะเป็นเหตุทําให้เกิดเป็นมนุษย์อาสะวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาเป็นพรสะสงสรุปแล้วนี้เขาเรียกอาสะวะห้าส่วนอาสะวะในชากาณิบาต บอกว่าในฉากการนิบาดนั้นบอกว่าอาสะวะในในเป็นต้นแบบพิสูจน์ตั้งหลายอาสะวะที่ต้องการละ ด, ด้วยสังวรมีอยู่ส่วนในพะสูตรอาสะวะหกเหล่านั้นแลพร้อมด้วยอาสะวะที่ตํางละ ด, ด้วยทัศนะก็รวมเป็นเจ <c oughs> ็ดก็คือสรุปก็คือว่าในนี้มันมีหกก็มีมีเจ็ดก็มีถ้าเจ็ดก็ที่เรากำลังศึกษากัเนเอี่ยอาสะวะที่ละได้จายการเห็นนะเป็นต้นเนี่ย อาสวะที่พึงร่าได้โดยการเห็นอาสวะที่พึงล่าได้โดยการเห็นก็มีอาสวะที่ร่ได้โดยการสังวรก็มีอาสวะที่ร่ได้โดยการเสพอาสวะที่ร่ได้โดยการอดกานอาสวะที่ร่ได้โดยการเว้นรอบแล้วก็อาสวะที่ร่ได้โดยการบันเทามี6เนี่ยอันนั้นแบบอาสวะหแต่อาสวะเจ็ก็คือเพิ่มอาสวะที่พึงล่าได้ด้วยการอบรมนี่ก็เป็นเจสรุปก็คืออาสวะสามอาสวะสี่อาสวะหอาสวะหแล้วก็อาสวะเจ็ดที่กลาไว้นี้ ในยสรุปก็คือก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมที่ควรละทั้งนั้นเลยอาสวะเนี่ยประการต่อมาคําว่าสังวรสังวรเนี่ยมาจากคาว่าสัพพาส ว, วะก็คืออาสวะทั้งหลายสัพภาคคือทั้งหมดสวะก็คืออาสวะทั้งหมดสังวรในที่นั้นเป็นชื่อของคําว่าปิดหรือการห้าม การปิดอาสวะการห้ามอาสวะได้แก่ไม่ให้เป็นไปไม่ให้การมาสวะเป็นไปไม่ให้พระวาสวะเป็นไปไม่ให้ทิฏฐาสวะไม่ให้เอาวิชาสวะเป็นไปหรือไม่ให้อาสวะไม่ให้อาสวะที่เป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดในสัตว์นรกเป็นไปนั้นเราต้องห้ามทํำยังไงเราจะห้ามว่ากิดอาสวะไม่ให้เกิดนะอาสวะที่จะเป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกปิดได้ยังตอนนี้ อาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นสัตว์ดิบฉ า, า น, ก, น, น ก, ก็ยังไม่ได้ปิดอาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเปรตก็ยังไม่ได้ปิดอาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยังไม่ได้ปิดอาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยังไม่ได้ปิดสรุปแล้วเราเปิดอาสวะไว้ห้าช่องทางนี่นะหาช่องทางนี้ไม่ได้ปิดเลยอันนั้นก็ไปทำการบ้านไปทำยังไงจะต้องไปปิดอาสวะต่อไปถ้าปิดไม่ได้ก็ ก็เป็นโทษมันจะเป็นโทษเป็นโทษแก่คนที่ปิดไม่ได้มันเหมือนน้าเสียไหลเรื่อยนะแล้วก็ยังหาวิธีการปิดน้ําเสียไม่ได้มันก็ไหลนะครับนะครับว่าเรียบร้อยฉะนั้นอาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์ประชานเปเป็ดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมนี่ยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้ปิดสักท่านยังไงปิดในใบยภูมิได้ก็ก็ก็แก่แล้ว พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าตถาคตเรากล่าวสติว่าเป็นเครื่องห้ามกระแสกระแสเหล่านั้นบุคคลปิดกั้นได้ด้วยปัญญาอันนี้มาในสูตรหลายสูตรในในมหาเทเสธที่ตอนที่ว่าอชิตาถามถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสติ เตสังนิวรณังสติเป็นเครื่องห้ามกระแสะสติเนี่ยเป็นเครื่องกั้นกระแสะไอ้กระแสะนี่ก็คือกระแสะของกระแสะของทิฏฐิเนี่ยกระแสะของกิเลสสแกระแสของทิฏฐิกระแสของอวิชชากระแสของทุจริตทั้งหลายเนี่จะรลืมนะว่าในขณะที่เราทำทวานตามจุบุลิขการใจในกระแสะเหานี้มันจะไหลามาตลอด เช่นกระแสะคือกิเลสมั้ยกิเลสมันก็จะเกิดในขณะที่เห็นโลกได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้นรบสัมผัสแล้วคิดนึกอารมณ์ต่างๆและในขณะเดียวกันเมื่อกิเลสเกิดมีโ ร, ราคาโทสะโมหะเป็นต้นเกิดแล้วเนี่ยความเห็นผิดการไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันเข้าจะเข้าไปปิดคิดผี่ไปเห็นผิดเห็นว่าเที่ยงบ้างเห็นว่าขาดศูนย์บ้าง เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนบ้างเนี่ยทิฏฐีต่างๆวันนี้ก็จะเข้าไปปิดอยู่ตลอดเลยกระแสเรานี่ยเนี่ยทาให้ปัญญาไม่สามารถที่จะไปวิจัยสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ซึ่งในชีวิตปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันมันเข้ามาปิดตลอดแล้วก็กระแสคืออวิชาคือการไม่รู้ตามความจริงทีประการต่อมาที่น่ากลัวกระแสคือทุกข์เจริกายะทุกข์เจริญด้วยจริทุกข์เจริญเลยมโนทุกข์เจริก็จัดตามมาทีนี้พระเจ้าว่าสติถ้าเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น แล้วบุคคลจะปิดกั้นกระแสะเหล่านั้นได้เด็ดขาดก็ด้วยปัญญาครนะับวิปัสสนาปัญญาปิดกั้นได้จะทางพระประหารธรรมคข้าปัญญาถึงจะกั้นกระแสะเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นอาสวะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าการที่เราจะไม่ให้อาสวะที่เป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดขึ้นในใจเราที่เราจะได้ลดรำบับพิจต้นตรงนั้นก็คือต้องต้องป้องกัน พิธีการก็คือว่าใช้สติใช่ไหมเ้าเรียกว่าสังวรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นทีนี้การสังวรการระวังการปิดที่สติเป็นตัวปิดเนี่ยปิดกระแสเหล่านั้นก็แล้วไม่ให้บาปเกิดแต่ในขณะที่สติเกิดเนี่ยมันปิดได้ชัวนะ่วขณะไหมในขณะที่สติเกิดยกตัวอย่างเช่นเวลาเห็นรูปแล้วเรา สติเกิดแล้วก็ไม่ให้เราทําบาปจากการเห็นได้ยินเสียงสติเกิดทันก็ทําให้เราไม่ทําบาปในขณะที่ได้ยินดมกลิ่นดิมรสสัมผัสคิดนึกสติก็คอยยับยั้งอย่างนี้ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าสติเป็นเครื่องป้องกันกระแสหรือเป็นข้อเป็นเครื่องห้ามแต่มันห้ามได้ไม่ตลอดห้ามไม่ได้ตลอดก็เพราะว่าสติเนี่ยไม่ได้ถูกการอบรมให้บริบูรณ์สติจะได้แต่กั้นเข้าไว้ใช่ไหมแต่สติไม่ใช่เป็นตัวทําลาย แต่ถ้าหากจะทำลายสิ่งเหล่านั้นได้นั้นต้องอบรมปัญญาต่างๆเป็นต้นให้เกิดขึ้นทีนี้ปัญญานั้นในขณะที่ถ้าเป็นระดับวิปัสนาปัญญานี่เนก็สามารถเข้าไปตัดได้เป็นขณะขณะอย่างหลายๆคนเวลาบาปเกิดขึ้นปุ๊บปัญญาเข้ามาตัดก็หายไปเข้ามาตัดก็หายไปทีนี้ยังยังยังมีสติมีสัมปชัญญะมีสติมีปัญญาในการระลึก พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นแล้วก็สามารถกันบาปแล้วก็ละบาปได้ทำอยู่ช่วขณะขณะอย่างนี้ชีวิตของสัตว์โลกก็จะเป็นอย่างนี้ก็แปลว่ามีความละอายต่อบาปเก่งกลัวต่อบาปบ้าก็สามารถกันได้แต่ถ้าหากว่าเผลอเลยลดังนั้นเดิมมันเผลอยาว ม, มันมันนานด้วยการความเผลอนี่ก็เผลอนานๆแต่นี้ก็ร่วงระเมาแต่ถ้าหากเวลาใดถ้าหากอบรมสติเอ่ยสัมปชัญญะปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ให้เข้าถึงโลโกตระมา เวลามาประหารี่เลสปุ๊บเนี่ยเขาจะพละได้เด็ดขาดเลยเนี่ยพละได้เด็ดขาดปุ๊บยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพระยะบุคคลกันเมื่อไหร่เป็นวสดาบันเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยแปลว่าอาสวะที่เป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกอาสวะที่เป็นเหตุให้ไปเกิดสัตว์ประหลานอาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเปรตขาดเลยอาสวะเหล่านั้นขาดก็ยังไม่เหลือเลยเหลือแต่อาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่ง่ายขึ้นเยอะเลยซึ่งเป็นเรื่องน่าทำเนอะ ใช่ไหมน่าจะได้นะี่ก็ตอนนั้นไปที่ไปไปที่ไปที่อยุธยาเนี่ยเยีมก็บอกว่าเขาเยี่ยมก็บอกว่าเฮ้ยเขาจะทํายังไงครับถึงจะสามารถปฏิบัติและบรรลุได้อ <laughs> ยุธยาตนะิดตามเลยติดตาม ก็เลยถามยอดเยี่มทุกวันนี่ทำอะไรใช่ไหมก็เลยถามชีวิตทำอะไรโอ้เดี๋ยวนี้งานเยอะมากแก็คคือยังมีแล้วไม่ว่าชมรมอะไรในจังหวัดเยยะทะยาเนี่ยเ้าเป็นกรรมการล้มหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชมรมเมย์มูลิตี้อะไรไม่ว่างเลยวันวันไปประชุมที่นู่นบังไปประชุมที่นี่บางงานนั่งงานนั่งงานการชาติงานอะไรสารพัดหมด ตอรักผู้รักผู้ใหญ่ทั้งนั้นวันๆก็จะไปอย่างเนี้ยมันมีเวลาไม้ได้นั้นๆจะได้มาฟังทำด้วยทีแต่ก็อยากบรรลุก็เลยพฤติกรรมกับความคิดมันคนละเรื่องกันใช่ไหมก็เลยบอกก็บอกแกัรงๆคุณ่านเป็นอย่างนี้จะเป็นบรรลุอะไรจะเบรรลุอะไรถาม่ใจอยากบรรลุจริงอยากทํางานหรือพูดพูดพูดเพื่อให้ดูดีหรือเป่าใช่ไหม คนอยากบรรลุปฏิปทาศรัทธ า, ธาไม่ใชอย่างนี้ต้องดูดูว่าด้วยนารถปิณิกเศรษฐีดูว่าวิสาขาหมหาวสิกาเป็นต้นดูท่านวิสาขาดูนางธรรมทินนาเป็นต้นดูท่านเหล่านี้สิคนก็อยากบรรลุกันก็ทํากันยังไงแล้วก็านอกนอก้องของพระเจ้าขนาดนี้นี่เราอยากบรรลุแต่เรายังโมโหงานต้องคมงานเลยไม่ขาดเลยนยุ่งแล้ว ไ, ไปตรงนั้นทำเป็นสมมาทิฏฐิที่ไหน เราไปคุยคุยเรื่องอะไรกันเจอหน้ากันก็คุยอะไรก็เลยบอกว่าเจอหน้ากันกระถามเออเป็นยังไงอบรมศินสมาธิปัญญาทางสินภาวนาไปแค่ไหนแล้วมีคุยเรื่องนี้ไหมเจอมั้ยเจอหน้ากันมีการคุยเออเป็นยังไงตอนนี้ยริโอตปะความป้องกันละอายเกรงกลัวต่อบาเป็นต้นหรือไม่เกิดแค่ห น, นตอนนี้เจเริญพุทธคุณได้ดีไหมเจอหน้าเอากรร ม, าามาฐานมาสนานายไม่ดี มีก็เรื่องไปเลยจะช่วยคนอื่นแต่เพตอนนอ้ตัวยังติดคุกอยู่ไม่ยอมพยายามแก้ปัญหากาขอพูด่งนี้ท่านท่านว่าเดมตรงๆเลยว่มีแล้วจะเก่งใจทาไมแล้วยมบอกว่าอย่าบรรอ่ะอย่าบรรลุแต่อยาบรรลุแปลอย่าบรรลุแตมิตาบิณแล้วเงียบไปเลยนั่นกินมวที เนียบปเลแปลกดีแต่มีแต่ดูดูถ้าแกพยายามจะเลยผู้สนแกจะได้ดีเลยนะแกไปสร้างที่ปฏิบัติเนี่ยในวัด เ, เดนี่ยวกสัตรตราสร้างไปหลายสิบล้านงเงินเกนเองนะแกขายที่ขายทางไม่ได้ก็สร้างให้คนมาอบรมมาประพฤติปฏิบัติฝวดลูกเสือบ้างฝุดมือแรงงานบ้าง ากยอาจจะเอห้องที่ยมมาเป็นที่ปฏิบัติยมก็ได้มีห้องแอร์อย่างดีก็ทำนะเป็นที่สวดมนต์ไหว้พระเป็นห้องแงรเป็นที่เจรินกรรมฐานที่วัดอันนั้นก็ดีอยู่แล้วกตร์กให้ก็ไม่ว่างเลยต้องตัดและบุญไว้อะไรขนนั้นเจ็ดสิบตรมแกบกแกยังแข็งแหงเจ็ดสิบสัง กทีนี้สังวรห้านะศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยาสังวรในบรรดาสังวรเหล่านั้นสังวรที่ตรัสบอกภิกษุประกอบไปด้วยปฏิโมกสังวรนี้ชื่อว่าศีลสังวรปฏิโมกสังวรก็คือการสังรวมในศีนเนี่ยก็คือ เป็นศีลของภิกษุหรือของของคารวานนั้นเป็นศีลละสังวรความจริงปาฏิโมกสังวรเนี่ยท่านกล่าวว่าสังวรในที่นี้สังวรในคำเป็นต้นภิกษุย่อมถึงความสํารวมในจักขุนศีเชื่อสติสังวรก็คือว่าสังวรระวังในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนั้นเรียกอินทรีย์สังวรหรือเรียกว่าสติสังวรก็สติท่านกล่าวว่าสังวรในที่นี้ฉะนั้นปาฏิโมกสังวรศีนก็คือการสํารวมในพระปาฏิโมก เว้นในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามแล้วก็ทําตามที่พระองค์สอนให้ประพฤติอันนั้นเป็นบาปิโมกสังวรส่วนสติสังวรหรืออินทรีย์สังวรก็คือการระมัดระวังไม่ให้บาปเกิดทางตาหูจมกูกลิ้นกายแล้วก็ใจอันนี้เป็นอินทรีย์สังวรหรือสติสังวรสังวรที่ตรัสว่าเราตะถากดกล่าวยานว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นบุคคลย่อมปิดกันได้โดยปัญญาหรืเชื่อวญาณสังวรอันนี้เป็นปัญญานี่ยญาณสังวรในที่นี้ก็แปลว่าการปิด ไม่บาปเกิดขึ้นนะนะการกระแสกระแสคือตัณหากระแสคือกระแสคือกิเลสกระแสคือตัณหากระแสคือทิฏฐิกระแสคื อ, อวิชากระแสคือทุจริตที่มันจะไหลมาทํำตาวิจบุกลิ้นกายใจกั้นด้วยสติแล้วก็ละได้ด้วยปัญญานั่นเป็นญาณสังวรที่กล่าวไว้ทีนี้ที่กั้นกับสังวร ด้วยการปิดไว้ได้ได้บทว่าปิททเรขันติสังวรและวิยาสังวรมาในสูตรนี้โดยนายเป็นต้วนวะพิสูจน์เป็นผู้อดทนอดทนต่อความหนาอดทนต่อความเจ็บใจเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็อันนั้นเรียกว่าขันติสังวรแล้วก็ไม่ยอมไม่วิตกไม่ให้การมาวิตกครอบงามไม่ให้พยาบาทวิตกครอบงาําไม่ให้วิหิงสาวิตกครอบงาําอันนั้นเป็นวิริยาสังวร การสังวรนั้นท่านสงเคด้วยอุทเทนคําว่าสภาสวะสังวรสังวรปริยาอย่างนี้ก็หมายความว่าสังวรเนี่ยสภาสวะเนี่ยนะก็แปลว่าสวะในที่นั้นมีชื่อการสังวรที่สังวรในที่นั้นท่านก็กล่าวในเรื่องของเอาสังวรฮะมากล่าวนียเอา ปาติมเอาศีแลสังวรก็คือปาทิโมกสังวรเอาสติ usa, สังวรก็คือ us, อินเตรียสังวรเอาญาณสังวรเอาขันติสังวรเอาวุเรียสังวร oh, ทั้งห้าประการนี้มากราบเขาว่ามากราบเขา ว, ว่าก็คือเป็นชื่องการปิดการกั้นกา ร, การห้ามไม่ให้บาปอกุศลต่างๆเกิดขึ้นทีนี้ในสังวรห้านั้นน่ยมาในสูตรนี้เหมือนกันขันติสังวรวุเรียสังวรท่านกล่าวไว้ก่อนแล้วทีเดียว พิสูจนิจารณาใช้เสนาสนะอโคจร น, นั้นโดยแยกคายอันนั้นเป็นเสิ่งที่สังวรนะก็เหมือนกันว่าเวลาพระจะเดินทางไปไหนจะใช้อะไรโดยถ่างเป็นต้นเหลนี้ ก, ก, ก, ก, ก, ก็ก็ต้องพิจารณาอยู่ด้อันนั้นเป็นหลักเป็นหลักการในการที่ต้องพิจารณาอยนูะ่ทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าอธิบายกว่าทัศนนะอสวะที่พึงรัได้โดยการสังวรโดยการเห็น ทัศนาเนี่ยนะทัศนะด้วยการเห็นเนี่ยการเห็นอยู่เนี่ยทั้งสองอย่างนะัน้นเนื้อความเดียวกันนะรู้อยู่ชานะโตคําว่าปัสตสโตรู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยพยัญชนะต่างแต่เนื้อความมันเดียวกันการรู้อยู่การเห็นอยู่ พระพุทธเจ้ า, าแสดงถึงบุคคลโดยมุ่งถึงลักษณะขังยานด้วยบทว่าชานนัโต Fel ความจริงยานี้มีความรู้เป็นลักษณะและแสดงถึงบุคคลด้วยมุ่งถึงอํานาจของยานในบทระประโตเห็นอยู่นี่เนี่ยเป็นความจริงยามีอานาจในการเห็นบุคคลเมื่อพร่ำรอบด้วยยานย่อมเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยไว้ด้วยยานนั้นเปรียบเส ม, มือนคนตาดีมองเห็นโรกเกิดจากสุขช่นั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี่เนี่ย บอกว่าบุคคลผู้พร้อมพร้อมด้วยญาณก็ปแปลว่าบุคคลผู้พร้อมพร้อมด้วยญาณปัญญานี่นะย่อมเห็นธรรมที่พระเจ้าทรงเปิดเผยด้วยญาณนั้นเวลาพระเจ้ากล่าวอะไรขึ้นมามายถึงพระเจ้าเปิดเผ ย, ยปกติของเหล่านี้จะถูกปิดมาหลายสังสารวัฏใช่ไหมพอพระเจ้ามากล่าวว่านี้ทุกนี้เห็นให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกนี้คนมีญาณปัญญาก็จะเห็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยมา แต่ถ้าคนไม่มีปรรัญญาเหมือนคนตาบอดเนี่ยเปิดของไรนก็ดูก็ไม่เห็นไม่ไไม่ต่างอะไรกันเปิดเหมือนคนตาดีมองเห็นรูปด้จักสุทีนี้เพื่อให้โยนิสโสมรณสการเกิดขึ้นและอยโยนิสโสมรณาสการไม่เกิดขึ้นแก่ผู้เห็นอยู่เหมือนอะไรเหมือนจะไม่เกิดขึ้นแก่ผู้รู้อยู่เชนั้นะสาระสำคัญก็คือว่าพระพุทธเจ้าแสดงอะไรก่อนที่จะแสดงอาสวะที่รัได้โดยการเห็นเป็นต้นเนี่ย ผู้จ่าแสดงโยนิโสมนฑสิการและอะโยนิโสมณฑสิการก็บอกว่าโยนิโสมณฑสิการการพิจรารณาเรียกทายนอกจากจะเป็นเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะด้วยการเห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นแล้วเนี่ยยังเป็นเหตุให้การละอาสวะได้6ประการหนึ่เช่นอาสวะที่พึงละได้โดยการสํารวมกิ่ละได้โดยการซ่องเสดิละได้โดยการกดกั้นละได้โดยการเว้นละได้โดยการบรรเทา แล้วก็ละได้โดยการเจริญใช่ฉะนั้นปัญหาคือว่าพระเจ้าแสดงโยนิสโสเข้าไว้แล้วก็เพื่อจะให้ละอะไรละอาโยนิสโสนี่เป็นอย่างนี้บทว่าอาสวานังขยำก็แปลว่าการละอาสวะคือการเกิดคือการเกิดความสิ้นไปโดยไม่มีเหลือได้แก่การสิ้นไปหมายความว่ า, วา การไม่มีแห่งอาสวะทั้งหลายขยะขยะเนี่ยขยะนั่นแปลว่าสิ้นขยะนะแล้วคว่าขยะขยะนี้แปลว่าสิ้นสิ้นไปเสื่อมไปเลยว่าไปเก็บขยะขยะจนสิ้นมีความหมายว่าสิ้นอาสวะทั้งในสูตรนี้ทั้งในประโยค์เป็นตนอาสวานางขยะอนาสวันเจโตวิมุตติจิติวิมุตติง แม้มรคผลนิพพานท่านเรียกว่าธรรมที่เป็นที่สินสนนส้นไปอาสวะมรค น, นี่เป็นธรรมที่สิ้นไปอาสวะใช่ไหมใช่ผลแหะใช่นิพพานเนี่เป็นธรรมที่สิ้นไปอาสวะท่านกล่าวว่าเป็นธรรมที่สิ้นไปอาสวะมรท่านเรียกธรรมเป็นที่สิ้นไปอาสวะ ifen, เช่นเดี๋ยจะบอกว่าโสดาปิมรสกาธ า, า, า, ากามีมรอนากา ร, ารมีมรอะรหธรรมที่เรียกว่าเป็นความสิ้นไปอาสวะเพราะ ความซึ่งไปอาสวะของเศคารุคลผู้ที่กำลังศึกษาผู้ดำเนินตามทางตรงกล่าวคือมัมีองแปดยานะคือสัมมาทิฏฐิย่อมเกิดก่อนต่อจากนั้นอราธผลจึงมีโดยลำดับต่อไปนี้เ็าบอกว่าเวลากล่าวตามลำดับนี้เทศนสาสัมมาทิฏฐิเกิดก่อนคือเห็นถูกต้องเห็นในอริยสี่ใช่ สัมมาสังกัปปะก็คือตําริ่งถูกต้องก็คือตําหน่ในกุศลสังกัปปะสาสัมมาวาจการเจรจาถูกต้องก็คือเว้นจากวจีทุจริตสีสัมมากรรมตาก็คือการงานถูกต้องกเว้นจากกายทุจริตสาสัมมาอาชีวะการยัคชีถูกต้องกเว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่สัมมาวายามาก็ความเพียรถูกต้องกเพียรในสัมมาปานทั้งสี่สัมมา สติก็คือระลึกถูกต้องระลึกในสติปัฏฐานสี่สมาสมาธิก็คือความตั้งมั่นที่ถูกต้องหรือตั้งมั่นในชานสุดฉะนั้นรับดับแห่งเกษนาลําดับแห่งการเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าญานะคือสมาธิฏฐิยัยงเกิดขึ้นก่อนต่อแต่นั้นก็จะเป็นปัจจัยแห่งการสังกัปะเป็นต้นอะไนี้ยทีนี้พอสามารถประชุมมัคคเนี่ยปกติเนี่ยมัคองแปดนี่นะเราก็ชุมได้ไม่พร้อมกัน พอประชมได้ไม่พร้อมกันเนี่ยก็ละกิเลสไม่ไดอันนี้เป็นมันแค่นนเนี่ยโดยหลักจริงๆนี่นะโดยหลักการปฏิบัติเนี่ยก็คือว่าทํายังไงเราจะประชุมมรรคมีองแปดให้เกิดพร้อมกันได้ในขณาดจิตซึ่งต้โลกิยะจิตเนี่ยหมดสิทธิในการที่จะประชุมมรรคมีองแปดมาเกิดในครบแต่ถ้าหากสามารถวันใดวันหนึ่งเราเรียกประชุมมรรคมีองแปดได้ครบแปดองในขนาดจิตใดในขนาดจิตนั้นเรียกว่ามรรค ทีนี้เมื่อภารกิตเกิดขึ้นมาแล้วกิตอันนั้นแหละจับทํากิตในการบาลีเลยหน้าที่ของเราดูง่ายใช่ไหมพอาฟังๆอย่างนี้เหม๋เหมือนจะ ง, ง่ายจังที่ปัญหาคือแล้วปัจจุบันบางทีเราจะทํายังไงที่จะเรียกสมาธิิสมาศกพท์เป็นต้นเหล่านี้มาประชุมบางทีมาได้มร์สองมร์สามมร์สี่มร์ห้ามรเหล่านั้นไม่ยอมมาทุกทีที่ไม่มาก็ อ, อะไรรู้ไหมเกียรตจใจไม่พอ เรียกประชุมไม่ได้เขาเรียกอํานาจไม่พอเรียกไปบ่อยเหลือเกินแต่ออนวอนเรียกอะไรไม่ค่อยได้ก็ต้องต้องหาวิธีเรียกมันก็เลยไม่ได้บรรลุอะไรกับผลเพราะเราอะไรเพราะประชุมมากไม่ได้แต่ก็ทั้งอัธยาศัยเขาไว้ใช่ไหมบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นถ้าต่บอนที่พระเจ้าแจกเสด็จดับผลจะบริพารก็คือบริพาชคสุภัทธาบริพาชค เป็นองค์สุดท้ายที่ได้ได้ทานเหตุพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระเจ้าบัตรเกิดขึ้นมาจนพระเจ้าแสดงแห่คนสุดท้ายท่านพระอัญญาคนัญญาได้บรรลุคนแรกท่านสุภัสทากฤยภาชกเป็นพระอรหันต์ได้บรรลองค์องค์สุดท้ายองค์แรกก็องค์สุดท้ายงั้นหมดยุคที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าต่อเ น, นื่องมาเขาก็ยังประชุมมรรคเปนได้มาเรื่อยๆเลยเนะ น, นี่ยตามลําดับเป็นมาถึงยุคพวกเรานี่ก็เลยแถวไปเยอะเล ย, เลยนะี่การเรียกประชุมมรรคไม่ค่อยขัง ไม่คยขังด้วยก็ต้องก็ต้องไปหาบายวิธีตามคําสอนให้ถูกต้องผลท่านกล่าวว่าเป็นธรรมที่พิจิสิ้นไปอาสวะมรรคสิ้นไปในประโยคว่าบุคคลเป็นสมณนได้ก็ความสิ้นไปอาสวะถามว่าเออการจะเป็นสมณะสมมนาแปลว่าผู้สงบบาทางกายทางวิ ญ, ญาณทางใจนจะเป็นสมณะได้ก็เพราะความสิ้นไปอาอาสวะ ตราบใดถ้าอาสวะคือการมาสวะภาวสวะวิชาสวะเนี่ยยังไม่สิ้นไปเนี่ยจะเรียกว่าสมณะจริงๆเนี่ไม่ได้แต่เราเห็นนักบวชเนี่ยเราเรียกว่าสมณะโดยสมมุติเนี่ยไดแต่โดยจริงๆยังไม่ได้เพราะท่านยังไม่ได้บรรลุอริยผลแต่ถ้าใครบรรลุอริยผลแล้วก็ก็เรียกท่านคนนั้นว่าเป็นสมณะสมณะแปลว่าสงบเบา ไดนี่เป็นอย่างนี้นิพพานท่านกล่าวว่าเป็นธรรมที่เป็นสิ้นที่สิ้นไปอาสวะอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ตามเห็นโทษของผู้อื่นผู้มีปกติเพ่งโทษเป็นนิดนั้นเขาย่อมอยู่อยากห่างไกลจากธรรมที่สิ้นไปมาสวะคือมัจริงๆนะกามมาสวะภาวะสวะเอาวิชาสวะเนี่ยจะเจริญแก่ใครแก่คนที่เพ่งโทษคือยังไม่บอกคนอื่นทําผิดอยู่เรื่อยเนี่ยนะ คนนั้นทำไม่ถูกคนนี้ทาผิดอะไรต่างๆเลยไปเพ่งโทษเขาหรือผู้มีปกติเพ่งโทษเป็นนิดเพ่งโทษเป็นนิดย่อมจเจริญแก่บุคคลผู้ตามเห็นโทษของผู้อื่นผู้มีปกติเพ่งโทษเป็นนิดเขาย่อมอยู่หา่างไกลอยากทมที่เป็นที่สิ้นไปอาสวะอันนี้กลุ่มบุคคลเหล่านี้อย่างไกลคือถ้ามองอะไรมันยังขัดเคืองหรือเป็นไหมหรือมันยังติดขัด ที่เาอาจจะไม่พูดออกมาก็ได้ใช่ไหมมองโต๊ะมองเก้าอี้มองหงุดหงิดอยู่เลยเลยสมมติยังมันยังขัดเทืองอยู่เลยหรือว่าอยู่เพ่งตรงนั้นก็ต้องอย่างนั้นตรงนี้แล้วกันคือจิตใจมันติดขัดเพราะความขุ่นคล่องเพราะความหมองหมวนมีห่างไกลจากพระนิพพานมันห่างไกลแล้วกันก็เป็นเป็นตรงนั้นแหะมันเป็นตัวตัวทําให้เราห่างห่างไกลมันติดขัด ใช่ไหมในโลกใบนี้มันมันจัดแจงอะไรได้ไม่มากในโลกใบนี้ติดไม่มันมันไม่ใช่ถึงขนาดนั้นเพียงีต่ว่าทํายังไงที่ใจเราจะไม่ไม่ไม่ไมขมุนข้องใช่ไหมไม่ติดครับคือมันเป็นปัญหาอยู่เลยแล้วก็จะตั้งประโยคคําถามเราตั้งคําถามปุ๊บแล้วก็หาคําตอบทีนี้ถ้าตั้งคําถามในเรื่องในเรื่องของ การเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เป็นต้นถ้าตั้งคำถามตรงนี้มันจะน้อมไปในการดูพื้นปฏิบัติถามว่าเอ๊ะถ้าเราในชีวิตประจําวันเนี่ยถ้าท่าเนี่ยวิธีคิดตรงท่าเนี้ท่านคิดอยังไงอย่างการณีที่ท่านไปอยู่หนะ้าที่ใดต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าที่ตรงนั้นท่านจเจริญกุศลไม่ได้ ถ้าอยู่อไปเดี่ยตัวท่านจะแย่เองท่านถ้าไปกันคืนท่านไปกันคืนเลยคือท่านจะไม่อยู่เลยที่ถึงคือถ้าอยู่แล้วมันจะติดขัดมากแล้วมันจะเป็นปัญหาจะทําให้ท่านได้บาปได้อภิษณแล้วก็เป็นเหยวให้ท่านต้องตกนรกท่านท่านจะไม่อยู่ที่ถึงบางแห่งถ้าอยู่นัอยู่อยู่ในภาษาให้ให้ให้หนีไปได้ด้วยเนี่ยไม่เป็นอวบด้วยเพียงแต่ภาษาอากาศเท่านั้น ถ้าหาก็อยู่หน้าที่ใดเป็นโทษแต่ถ้าอยู่การมาษาเนี่ยนะให้หนีไปเลพยพระเจ้าบอกให้หนีไปเลยอย่าเป็นโทษทีนี้ปัญหาคือว่าอาสวะที่เป็นมีปกติเพ่งโทษหรือว่าเห็นตามเห็นโทษของผู้อื่นตลอดถึงมีปกติแต่เพ่งโทษเป็นเป็นนิดเนี่ยคือพระพุทธเจ้านยจะสอนว่าให้เพ่งโทษตนเองมากกว่าเพ่งโทษบุคคลอื่นแล้ววิธีเพ่งโทษตนเองเพียยังไง เอ๊ะทำไมเราต้องมาเกี่ยวข้องกับคนคนนี้หังใช่ไหมเอคนไม่ดีเลยแต่รอบๆเราเนี่ยทำไมต้องเกี่ยวข้องมันนี่ถ้าเรามองในปัจจุบันเนี่ยมันเห็นแค่ปัจจุบันแต่ถ้ามองอดีตเราจะล้องอ๋อแล้วโอ้เราทำกรรมแบบนี้มาจริงถึงต้องมาเกี่ยวพันกับบุคคลเหล่านี้โอ้หนี่อกุโสรกรรมเนี่ยเวลามันตามให้ผลมันตามแบบนี้เองมันเหมือนดีแต่มันไม่ดีเนี่ยใช่ไหมมันเป็นแก้ของเหมือนไม่ใช่ของจริงอ่งเออที่เราต้องมาเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้ ท ì, h, ีนี้วิธ so uh, exactly. ีคิด้ต้องคิดยังไงคิดเออเมื่อเราต้องมาเกี่ยวข้องกับคนเหล่เนี้เราจะทํายังไงที่จะให้ไม่ได้บาปนี่เจอหางคุณทางออกเลยแต่ถ้าเราไม่สาวอดีตนี่นะถ้าเราไม่สาวอดีตแย่ยิ่งดำอีกแล้วก็มาได้บาปก็มันมาทําบาปก็มีไม่ไดเด็กเด็กที่อยู่เวลาเราก็อยู่กับอาจารย์ก็ดีดีทำมาแล้วไม่ชีก็ปัดโอ้โหดื้อชีเอาไม่อยู่แล้วที่เอามาไว้ใหม่ พ่อมาไว้ใหม่ครบเนี่ยเขามาสังเกตอยู่อ๋อจริงจริงเนี่ยเวลามันมันมันแล้วแต่ บ, บุญของใครจริงจริงเนี่ยเยถ้าคนมีบุญนี่เนี่ยเอแปลกบอกคนไม่นคนก็เชื่อเยอะเห็นไหมให้สังเกตอยู่ในพระพุทธเจ้าเนี่ยวเวลาบอกอะไรใครเนี่ยเช่นบอกานั้นท่าดูก่อนนันท่าเถอะจงบวชเถอะแค่นั้นไม่ได้พูดมากอบวชจริงๆต้อไมไีใจก็อย่างบวชอย่างเราที่บอกใครเนี่ยบอก ต่อพุ่มตาหน้ามันดีนี่นะก็เดินออกหางลกสามสี่วันนีอ่อย่าแปลกบุญมันมีแค่เท่าถ้าเรายอมลัความจริงตรงนี้เสียแเราก็แก้ไขตัวเยอะมา ก, ก็จะเรียบุญให้มากตรงไหนติดขัดแล้วก็แก้ไขไปตามสภาพนั้นแต่ต้องระวังก็คือว่าเออเราจะใจเราจะไม่มีอาสวะทั้งหลายต่งางเป็นเครื่องทําให้เราทราบโมงไอ้อตรงนี้เป็นเปนน็นที่ถูก สิ่ที่สำคัญที่สุดเวลาเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็เพ่งพิจารณาตนเองก็เมื่ออนี่เหตุที่เราทำมาั้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหลนทีนี้เมื่อเราเก็บเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เราจะทำยังไงที่เราเจ็บปวดน้อยที่สุดก็แค่แบบมันต้องเจ็บปวดอยู่แล้วจะทำยังไงให้มันน้อยที่สุดหมายความว่าปัจจบันแล้วน่าคดด้วยเนี่ยเช่นถ้าเราไปซื้อรถตกมือกับเขาเนี่ยในสุดจริงมันเจ็บปวดปัจจุบันนี่แล้วนาคดเราก็เจ็บปวดด้วยแสดงว่าเขาเองก็ต้องเกี่ยวพันกับเราในสังสารวัฏใช่ั้มที่ต้องมาหยุดมาเกี่ยวพัม บางคนก็ถึงขนาดว่าเอาแล้วเจอกันชาติเยวเจอกันชาติแต่พูดได้แต่มันจริงๆที่ทำกรรมร่วมกันมันเยอะจ้ะเดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกเอาหม่อีกแล้วมาเจอกันี้วจะถาหน้าไหนก็ว่างบทว่าโนอาชาณโตณอปัสโตผู้ก็ผู้ใดไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่เราจะถาคตไม่กล่าวความสิ้นไปอาถวาทุบุคคลนั้น ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่คนที่ไม่มีญาณปัญญาแปลว่าคนที่ถ้าพระพุทธเจ้ากล่าวแล้วเขาก็มีรู้เรื่องพระพุทธเจ้าก็จะไม่กล่าวความสิ้นไปงานสะวะ่างบุคคลหนึ่งชนเราได้กล่าวถึงความบริสุทธิ์ด้วยสังวรเป็นต้นแม้ของบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นชนเหล่านั้นเป็นอันท่าน คัานเ ด, ด, ดวุลโนชาณาโตโนปัสโตคือตส่วนคำว่าชาณาโตปัสชานาโตรู้อยู่ปัสโตเห็นอยู่เนี่ยเป็นอันพระพุทธพระพูทธภาคเจ้าได้ตัดอุบายแล้วได้วสองประการนะอันพระพูทตัดการปฏิเสธอุบายแล้วเวน้นยานั้นพระพุทธภาคเจ้าทรงแสดงว่าเป็นธรรมเครื่องปิดกั้นอสุ瓦ทั้งหลายโดยสงังเขปอันนี้เป็นดแสดงดยโดยย่อบทนี้ พระผู้มีพระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะแสดงธรรมที่ภิกษุผู้รู้อยู่ซึ่งความสิ้นไปอาสวะทั้งหลายจึงทรงสแสดงบอกกินจิต ท, ที่กเวชานะตัวตรงนี้เป็นต้นแก็แสดงบอกว่าความรู้มีหลายอย่างนะความจริงภิกษุรางรูปผู้มีชาติฉลาดย่อมรู้วิธีทากฎรางโลกก็มีวิธ ท, ทีวเป็นต้นคือพระเจ้าบอกว่าภิกษุ ความรู awesome, ้มีหลายอย่างนะพิสูุบางลูกก็ฉลาดในการที่จะทำกรดบางลูกก็ฉลาดในการที่จะทําทีวรบางลูกก็ฉลาดในการที่จะทําเสนาสนะอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อพิสูจน์จำงอยู่ในข้อวัดกระทากรรมเช่นนั้นอยู่ความรู้เช่นนั้นไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เป็นประทับฐานของมรรคผลส่วนภิสูจใดบวชในศาสนาแล้วรู้วิธีทําเวชกรรมเป็นต้น เมื่อพิสูจนั้นรู้อย่างนี้อาสวะทั้งหลายย่อมจเจริญดีอยูย่ตรงนี้ก็บอกว่าพระพิสูจที่มีความรู้ในการทำกรด ท, ทําบาปทำจีวรเนี่ยความรู้เหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นสําคัญนะสําคัญก็คือในขณะที่ทําสิ่งเหล่านั้นเรต้องใส่ใจมานาจิการสํารวมไม่ดีว่าจะเป็นปัะจฐานแก่มาผลได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้สแสดงให้เห็นชัดว่าการทํางานทั้งหลายเนี่ยแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะในการประกอบทําสิ่งที่ถูกต้อง ไม่นอกพุทธบัญญัติเนี่ยพุทธเจ้าครสารเสริญเนี่ยเป็นข้อวัาปฏิบัติที่พึงกระทำไม่ใช่พระอยู่มาแล้วไม่ทำอะไรเลยเนี่ยจิตของตอนเองไม่ทำในเรื่องบาตรทำยังไงจีวรทำยังไงอาสนะทำยังไงเนี่ยพระต้องรู้แต่ถ้าไปรู้เรื่องเวชกรรมเวชกรรมเกี่ยวกับารรักษาเป็นต้นเหล่านี้อาสวะทั้งหลายยอมเจริญดีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุเห็นทำใด ความสิ้นอาสวะทั้งหลายเกิดมีได้เมื่อจะทรงแสดงธรรมเหล่านั้นผู้พุทธเจ้าทิพตยนิโสจะมณัสิการโหะอายโยนิโสเป็นต้นคือพุทธเจ้าแสดงโยนิโสและอโยนิโสมณัตสิการก่อนที่จะแสดงเกี่ยวเรื่องอาสวะก็แสดงบอกว่าเหตุที่จะเป็นปัจจัยให้ความสิ้นไปของอาสวะคือโยนิโสมณัตสิกามันแต่ถ้าเหตุที่จะทําให้อาสวะเจริญขึ้นมาได้คืออโยนิโสนั้นแสดงแล้วก็แสดงว่าการกระทําไว้ในใจโดยถูกอุบาย อันนี้เป็นโยนิโสมานสิการนะการทําไว้ในใจโดยถูกทางการนึกการน้อมนึกการถูกใจการใฝ่ใจการทําไว้ในใจซึ่งอันนี้จะลักษณะเป็นต้นโดยในเป็นต้นว่าไม่เที่ยงอันนี้เป็นเป็นโยนิโสมานสิกาจะเป็นอย่างนี้นะให้สังเกต ด, ดูนะว่าโยนิโสมานสิการเนี่ยนะใช้หลายความหมายใช้คําว่าทําไว้ในใจโดยถูกอุบาย ทำไว้ในใจโดยถูกทาง้ถูกทางได้ถูกแล้วเช่นว่าการคิดนึกเข้าหาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาอาชีวาเป็นต้นเนี่ยหรือการนึกก็ได้หรือการน้อมนึกการผูกใจการฝ่ายใจการทําไว้ในใจเนี่ยเช่นการนึกเช่นนึกถามว่าการเจริญวิปัสสนานี่นึกได้ไหมได้เช่นนึกว่าไม่เที่ยง นึกเกืดนิจลักษณะมีความเปลี่ยนไปสิ้นไปลองนึกดูดิแค่เราน้อมนึกถึงตัวตัวเราเองนึกแต่เด็กๆโอ้มันเปลี่ยนมากๆเลยนะทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งอุดมการของเราที่เคยคิดใช่ไหมมันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเนะนี่ยมาจะถึงปัจจุบันอันนี้เห็นเดนะ่นไม่เทีเ่ยวนี่บีบคัน้นตลอดแล้วก็โอ้ความคิดต่างๆเหล่านี้เราบังคับไม่ได้เป็นตัวเหานี้ ถ้าบอกการน้อมนึกการผูกใจการใฝ่ใจการทํำให้ใจขึ้นอนิจจลักษณะทุกลักษณะอนัตตลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นอนัตตาหรือโดยสัจจานุโล ม, มิกะยังคืออนุโลมก็หาลิยสัตย์นี่ทุกนี่เห็นให้เกิดทุกนี่ความดับทุกนี่ข้อปฏิบัติให้เข้าทุกความดับทุกนีลักษณะนี้เป็นโยนิโสมนัสิการเนี่ยโยนิโสมนัสิการนี่เป็นเรื่องที่ดีด้วยเนี่ยแต่ แต่การคิดลักษณะอย่างนี้ถามว่าเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยคิดสะดวกไหมจ๊ะเมี่อเช่นเราคิดถึงความไม่เที่ยงบางคิดถึงเป็นทุกข์คิดถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆทั้งตัวเราเองทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องตัวเราเองเป็นต้นนั้นการคิดในเรื่องต่างๆเหล่านี้ถามว่าคิดได้ละเอียดดีไหมไม่ค่อยละเอียดที่ถ้าไมละเอียดเราก็ต้องมาย้อนไปดูว่าเออศรัทธาสีเป็นต้นก็ต้องตรวจสอบ พอเราศรัท ธ, ธาก็ดีศีลก็ดีการฟังก็ ด, กดีเป็นต้นเดียวก็กลับมาเจอในวิปัสสนาอันนี้เป็นโยนิสโสมรรสการเป็นปัจจัยเกิดการอาสวะส่วนอโยนิสโสเนี่ยอาโยนิสโสได้แก่การทําไว้ในใจโดยไม่ถูกอุบายโดยไม่ถูกทางแล้วก็การทําไว้ในใจโดยไม่แยกกายการทาไว้ในใจผิดทางในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นสุขในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาว่าเป็นอัตตา หรือการนีกการน้อม้วยการผูกใจการปล่อยใจการทําไม้ในใจกับจักสักจักเรียกว่าอายุนิสงเช่นทุกเนี่ยเราก็ไปมองเห็นแล้วเป็นสุขเมื่ออยุนิสงเมตสิกามเนเวลาเราถามว่าเราเกี่ยวข้องการมีตาเราเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็มีตาหูจมูกลิ้นใจและคนที่เกี่ยวข้องกับเราก็มีตาหูจมูกลิ้นใจทีนี้เวลาเราคิดถึงตาหูจมูกลิ้นใจของเรา กาคิดถึงตาหูาจมูกลิ้นการใจของบุคคลอื่นคิดถึงขังของตนเองคิดถึงขันเราบุคนอื่นเนเราคิดว่านี้ทุกข์เลยถ้าเราเวัานนี้เนี่ยไม่พ้นอยากทุกข์คือการเกิดเนี่ยทกคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความลำลายลำพังนี้นี่เป็นก้อนทกข์เลยเห็นไหมสะบะเราใจ ต, ตาหูาจมูกลิ้นการใจของเรา ทนี้ถ้าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นเช่นเกี่ยวข้องกันกับตาหูจมูกเล่นกายใจของบุคคลอื่นแล้วก็นี้ก็ น, นี่ทุกข์เห็นไหมบอกเออเนี่ยทุกต่อทุกไปเกี่ยวข้องกันเอ้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เบ็ดเสร็จในนี้เขาเรียกว่าใส่ใจถูกแต่ถ้าเขาใส่ใจเราเห็นคนคนนี้เขาหน้าตาดีเนะยอันนี้มันมันเห็นกลับไนงะ น, นี้มันเยินอโยเนนะี่ย เมือ่อวานนี้เขาก็คุยกันแต่เราดีนี่สมมุติเงี้ยนั่นมันเป็นมองเป็นดีไปแล้วมองเป็นความสุขไปแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นการมองกลับนั้นเวลาเราไปเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนอื่นซึ่งเราก็มีตามหูจมูกลิ้นกายใจทั้งสองส่วนนี้เป็นเป็นทุกข์มีชาติทุกข์เป็นต้นทีนี้ความทุกข์ทั้งสองส่วนเนี่ย เขาบอกว่าถ้าใครมีตาหูจมูกเล่นกายใจอยู่ในแวดวงมากเขาก็ต้องใช้คํามีก้อนทุกเยอะใช่ัหมจะมีก้อนทุกเยอะหน่งในเราก็ทุกหนึ่งทุกแล้วใช่ไหมก็ยังไปเกี่ยวข้องกับทุกอีกมากมายถ้ายิ่งเกี่ยวข้อง ม, มากเราคิดดูว่าสมมติว่าอ่คนนี้ ก, เกเ็เป็นมะเร็งันนี้ก็เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วไปที่รวมทุกรคมะเร็งทั้งหมดนี่จะเจ็บปวดแค่ไห น, นเพราะจริงๆก็คือโรคนที่มารวมกันอยู่ ที่นี้ว่ามันจะมันมันจะแค่ไหนมะเร็งระดับไหนระดับหนึ่งสองสามสี่ว่าแต่ก็คือนั่นแหละก็คือตัวมะเร็งหมดเลยใช่ไหมที่นี้เราก็เป็นผู้อื่นก็เป็นน้ำเกีือว่านี่มองแบบว่ า, ายโยธีโสเมตสิกานนะี้แต่ถ้ามองแบบอยโยธีโสเมติการก็บอกเออนี่เรจะมองว่าเราก็ไม่เห็นไม่เห็นดังว่าจริงไม่เห็นอริยสัจไม่เห็นอริยสัจในที่ทั้งปวงพอไม่เห็นอริยสัจในที่ทั้งปวงแล้วก็จะมองเห็นว่าเป็นมันเที่ยง ถ้าก็เห็นเป็นสุกแล้วก็เห็นเป็นตัวเป็นตนอันนี้เป็นญาติเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นน้องเราเป็นเพื่อนเราก็เห็นเป็นมันก็ไปคุงไปเสร็จไอ้สิ่งต่างๆอันนี้อย่าลืมนะการเข้าใจผิดพวกมันก็เริ่มยึดถืออันทียึดถือลักษณะไหนก็แล้วแต่แต่นี้เราไปเข้าใจสิ่งเหล่านั้นผิดเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านั้นผิดเนี่ยทีนี้ทีนี้เราจะบอกว่าเวลาเข้าใจอริยสัจผิดแล้วเนี่ยเราจะไปเห็นไม่เที่ยงมันก็เห็นไม่เที่ยงเหมือนบุรุษชนเห็น เห็นแบบไม่เที่ยงแต่ยังยึดถือเป็นทุกข์มันก็ยังยึดว่าทุกข์เป็นสุขมันก็ยังยึดเออเป็นอนัตตาก็ยึดแบบอนัตตาฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่าบอกว่าอะโยนิโสมนสิการเนี่ยท่านบอกว่าการทําไว้ในใจโดยไม่แยกคายการทําไว้ในใจโดยไม่ถูกทางและไม่ถูกอุบายไม่ถูกทางกหมายความว่าเวล า, าคิดปุ๊บมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันจะตามมาด้วย มิจฉาที่ฐินี้ก็เห็นผิดนไงแล้วมันจะตามไปมิจฉาสังกปะให้ดาบีผิดมิจฉาวาจาเอากล่าวผิดด้วมิจฉากรรมมันตาการงานก็ผิดมิจฉาอาชีวะเรียงชีพก็ผิดมิจฉาวายามากก็เพียนผิดเนี้ยนที่จะโกรธเพียนที่จะต้องอะไรต่างก็แล้วแต่มันเพี้ยนผิดมิจฉาสติระลึกผิดมิจฉาสมาธิก็ตั้งจิตผิดเลยเห็นไหมมันจะผิดหมดเลยถ้ามันมันอโยนิสมฆ์มรดการเกิดปุ๊บเนี่ย มันไม่ได้ประชมสัมมาฯมากแล้วเป็นการประชุมไม่ฉามากนชีวิตของของสัตว์โลกก็จะเป็น ก, ก็ประสบความทุกข์แับการทําไว้ในใจโดยผิดทางเปน็นอย่างนี้ผิดทางก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยในสิ่งที่เป็นทุกในสิ่งที่ในสิ่งที่ที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาหรือการนึกการน้องการผูกใจการปล่อยใจการทําไว้ในใจ โดยโดยการกรับกับสัตจ์างทั้งสีอันนั้นเรียกว่าอาโยนิโสมณัสิการฉะนั้นความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่ <S <S เพื่อยังโยนิโสมณัสิการให้เกิดขึ้นและแก่ภิกษุผู้เห็นอยู่โดยประการที่อาโยนิโสมณัสิการไม่เกิดขึ้นดังที่ได้พาราณิการรู้อยู่ในที่นั้นก็หมายความว่าทําโยนิโสมณัสิการให้เกิดขึ้นเห็นอยู่ก็หมายความว่า อโยนิโสมนัสการไม่เกิดขึ้นนะรู้อยู่ว่าเออตอนนี้ยเราทําโยนิโสมนัสการให้เกิดขึ้นนะเห็นอยู่ก็คือว่าอาโยนิโสมนัสการเี่ดับไปเห็นเห็นอาโยนิโสมนัสการาไม่เข้ามาสู่กระแสใจเราอีกแล้วปัญหาก็คือว่าเออเราเวลาเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเวลาเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยก็ต้องพยายามพิจารณาตรงนี้บอกว่าบัดนี้เมื่อจัะแสดง พ่อยุติแห่งเนื้อความที่พระพุทธเจ้าแสดง อ, ยอดโยตตริโสเป็นต้นเหล่านี้นะถามว่าเพราะอาสวะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ใส่ใจโดยไม่แยกคายเมื่อภิกษุใส่ใจโดยแยกคายเธอย่อมละอาสวะทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงเข้าใจว่าความสิ่งไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่ เพื่อยังโยนิสโมนสมณัตการนี้เกิดขึ้นและภิกษุผู้เห็นอยู่โดยประการที่อาโยนิสโมนสมณัตสการไม่เกิดขึ้นดังที่พานามั น, นี้ในข้อที่มีการพิจารณาโดยสังเกตเพียงเท่านี้ส่วนความพิสดาร น, นั้นต่อไปนี้พระ ส, สูตรทั้งสิ้นข้างหนามีเกี่ยวควองก็หมาย ก, ก็ตรงนี้ท่านจะกล่าวไว้ไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ต้องการกล่าวอีกนบอกว่าโยนิสโมนสมณัตสการกับอาโยนิสโมนสมณัตสการนี้เป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะเป็นถ้า โยนิโสมนสิการก็เป็นปัจจัยให้ละอาสวะไดา้อายโยนิโสมนาสิการก็เป็นปัจจัยอาสวะทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นต้นเหล่นี้ประการต่อมาก็คือว่า พ, พราะพุทธเจ้าตรัสบอกว่าบอวัตะอวิวัตะนี่นะวัตฏะเปะ็นหมายความประการเกิดในการมาภูมิรูปภูมิมาลูกภูมิอวิวัตะก็คือการพ้นจากการมาภูมิรูปภูมิมรูกภูมิเป็นต้นทีนี้ก็คือว่าการใส่ใจโดยไม่แยกคายเมื่อเจริญขึ้นก็ย่อมทําให้ทำสองอย่าง อวิชชาและตัะหาบริบูรณ์ถ้าเราสายใจโดยไม่แยกคายอายุ ร, ริโสมนสิการเกิดขึ้นมันจะตามมาด้วยอวิชชาสังขารวิญญานามลูปสลายตนะภาษาเวทนาตัะห า, าักประธานเพระวาชาติชรามรณะโศกปริเทวทุกขโทนัส า, า, าและปาาัญญาทีนี้ทีนี้ถ้าเราสายใจโดยแยกคายทีนนะีจริงๆแล้วมันมีนะอวิชชาเรามีมาก่อนอยู่แล้วอวิชชาสังขารมิญญานามลูปสลายตนะภาษาเวทนาตระหาักประธานเพระวาชาติชรามรณะ สอกาภริเทวาทุกปัจจุบันเราได้ความทุกข์ทีนี้พอมีความทุกแล้วเนี่ยแต่ทุกจะไปเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาสันขันเป็นต้นหรือเราจะทุกเป็นศรัทธาปัจจุบันเนี่ยเรามีความทุกนี้มั้จากเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นทุกข์ใหญ่ๆแล้วก็มาด้วยความโศความล่ําไ่มลำบันความไม่สบายกายโดยเฉพาะไม่สบายใจเยอะความไม่สบายใจความคับแค่ใจเป็นต้นอันนี้เป็นความทุกข์ท้าความทุกข์เหล่าเนี้ย บัณฑิตทั้งหลายก็จะเอาความทุกเป็นปัจจัยเกิดศรัทธาไม่มีศถาก็ถาโพธิศรัทธาเต้นใช่ไหมแต่ว่ากลุ่มเอาความทุกเป็นปัจจัยเกิดความความหลงคือโมหะพอโมหะก็เป็นปัจจัยเกิดการทํากรรมมีการต่อว่าต่อข่าวอะไรก็ว่าไปแล้วเวลาทำกรรมเสร็จก็เป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนำโรูประว่าไปแล้วก็ความสังสารวัตมันก็หมุ น, ปนไปอย่างนี้แต่คนมีปัญญาหรือบัณฑิตหือที่พระเจ้าสอนพระเจ้าว่าความทุกเกิดขึ้นเนี่ยเอาทุกเป็นปัจจัยเกิดศรัทธา เพราะศรัทธาก็เป็นป be ัจจัยเกิดโยนิโสมรสิการโยนิโสมันนี่ให้สังเกตว่าเพราะศรัทธาเกิดขึ้นเขาไปปังธรรมปังธรรมไปเสร็จเกิดโยนิโสโยนิโสมรรคการก็เป็นปัจจัยเกิดกุศลศีลกุศลศีลก็เป็นปัจจัยเกิดสมาธิสมาธิเป็นปัจจัยเกิดปัญญาแต่ถ้ามาสายนิดนี้ก็มีปัญหาที่ปัญหาคือเรารู้อยู่แล้วว่าทุกเกี่ยวข้องกับเราทุกสสารแต่จะเอาทุกเป็นปัจจัยเกิอะไรแล้วก็มาขีดเส้นเลย เป็นปัจจัยแก่อวิชาตันหาปราธานก็ได้เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาตลอดถึงการฟังทำการเกิดโยนิโสโยนิโสเป็นปัจจัยแก่การเจริญกุศลศีลเป็นดยอย่างนี้ก็ได้เราก็ต้องเลือกว่ามาสายศรัทธาดีกว่าเวลามีความทุกข์ไม่เอาแล้วศรัทธานในพระพุทธเจ้าดีที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เราปลดทุกข์ถ้าเกิดเราก็เกี่ยวข้องทุกข์อยู่เนี้่วันวันเกี่ยวข้องทุกข์แต่ก่อนเนี่ยเคย เวลาอ ย, อยู่กับเนรอยู่กับพระอยู่กับอะไรก็ตามเว้าตื่นขึ้นมามองที่มองเราฝุดโลกหมดนึกเป็นความทุกข์ของพระก็ทําทได้ทําได้เราทำทำแต่ว่าต้องต้อง ต, งตั้งใจให้ถูกนะบางทีเมต่ก่อนนะแต่ก่อนมันราชการใส่ใจเป็นองคามประชดทําแบบต้องการให้ก็มาทำํทำทําแบบประชด คือประชดก็คือต้องดูว่ามันดูเราเปล่ามันดูเราแล้วก็ทำตอนอยู่คนเดียวไม่ทำใช่ไหมมีทำประชดเลยไม่ได้บุนอะไรดะไไม่ได้ฟางใจยากเหมือนกันนะฟังใจยากแต่ก็ต้องโบราณเขาเลยทำใจจาลูกโบราณเขาจะสอนบงทีไม่ได้ร้องไห้อยากจะได้ของ พอ่อแม่เราทำใจนี่ลูกยอมมก็เป็นน้องยอมมองยังตองยอมบางๆเราอยากได้แม่เราไม่ทำ ใ, ใ, ใ้ให้ทําใจแต่เราไม่ทำใจทํำยังไงมีงงไม่เข้าใจก็คือรู้จักปล่อยวางบ้างนย่างนี้นะการว่าทำใจทีนี้กระโยนอิศวรมนราชิการจเจริญขึ้นก็ทําให้มักแปดมีสมาทิฏี่เป็นต้นในบริบุรณ์ พิสู่ทั้งหลายภิสูจผู้สมบูรณ์ด้วยการใส่ใจโดยแยกคายก็หวังได้เธอจับเจริญในอริยมรรคมี่องค์แปดนะวสมาทิฏฐิสม า, ถถ ส, มาสังกัปปะจะถึงสมาสมาธิจับเจริญได้และในที่สุดจริงๆก็คือจะทำให้จังมากด้วยอริยมรรคโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าถ้าหากมีโยนิโสมนสิการอย่างเดียวแล้วเนี่ยในที่สุดจริงๆจัก บ, บรรลุได้ จะทําอริยมรรคให้บริบูรณ์ได้จะเป็นพระโสดาบันก็ได้จะเป็นพระสการาคาก็ได้จะเป็นบ้านาคาก็ได้จะเป็นบ้านหลานก็ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าทำให้โยนิสโสมนสัสสการบริบูรณ์เมื่อไรแล้วเนี่ยในมรรค ก, ก็หวังได้แต่ถ้าทําอโยนิสโสมนสัสสการ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วอวิชาก็หวังได้แล้วความทุกข์ก็หวังได้ทางสารวัตรก็จะเจริญมันก็มีสองทางอยู่ไหมเราจะเจเราจ ะ, จะเจริญโยนิสโสหรืออโยนิสโสก็เป็ น, คคน้าใหญ่คน ถ้าอาโยนิโสก็เป็นไปเพื่อชาติทุกชราทุกมรณะทุกโสกากรษฎเทวะทุกขโทมนะสาวุปายาถ้าอาโยนิโสก็ในส่วนจริงแล้วก็จะทุกข์ดับชาติดับชรามรณะโสกากรษฎเทวะทุกขโทมนะสาวุปายาตก็ดั บ, ด บ, บ, บ, วดบความดับแห่คงความทุกข์ทั้งมวลก็มีได้ด้วยประธานอย่งก็จะเป็นอย่างนั้นพระสูตรทั้งหมดเนี่ยนะที่จะกล่าวหรือที่เราศึกษากันเนี่ยท่านจะกล่าวตรงนี้ก็ไว้ค่อนข้างเยอะ จะกล่าวในเรื่องของโยนิโสและอยโยนิโสมนัสิการประการต่อมาที่จะเริ่มศึกษากันก็คือว่าอาสวะที่พึงรัโดยทัศนะสรุปตรงนี้เนยทัศนะด้วยการเห็นตามความเป็นจริงเห็นสาปาวะธรรมตามความเป็นจริงทีนี้ในทัศนะตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าจแสดงบอกว่าภิกษุทั้งหลายอาสวะเราไดที่ควรรัด้วยทัศนะ ก็เริ่มเทศนาปกปาราที่ฐานว่าดูความพิสูจทั้งหลายปุถุชนผู้นั้นไม่ได้สดับในพระธรรมวินัยนี้เป็นต้นก็แสดงรักความหมายของปุถุชนและปุถุชนก็ไว้แล้วก็แสดงว่าย่อมไม่รู้จักธรรมที่ตรงกันข้ามเป็นต้นเหล่านี้เนี่ ย, ยคือแสดงความเป็นปุถุชนว่าถ้าความเป็นปุถุชนเจริญขึ้นมาแล้วเนี่ยความเสียหายก็จะตามมาอย่างเยอะแยะเลยก็จะแสดงแสดงสลักษณะอย่างนี้นิปการต่อมาก็คือว่าแล้วก็แสดงโยนยโสมณิสิการ แล้วอีกอย่างเมื่อแสดงโยนิโสอะโยนิโสเบ็ดเสร็จแล้วก็จะแสดงหลักการที่บอกว่าบรรดาอาสะวะทั้งหลายเหล่านั้นน่นะความกำหนัดอันประกอบด้วยกรรมคุณห้าชื่อว่ากรารมสะสวะความกำหนัดในความยินดีพอจาจในกรมในรูปประคบรูปประชามเป็นต้นที่เกี่ยวเนื่องกับสัตวา ส, สทิฏฐิและอุเชติที่เรีาวาสวะคิฏฐิทั้งหมดนนกเรียกว่าทิฏฐาสวะ ความไม่รู้ในอริยรสัจสีชื่อว่ า, าวิชาสวะใช่ไหมไม่รู้ในทุกไม่รู้เหตุให้เกิดทุกไม่รู้ความดับทุกไม่รู้ไม่รู้ควาปฏิบัติให้เข้าถึงวันดับทุกตัว น, นี้เป็นอวิชาสวะชัดการมาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชาสวะนี่เ ป, น เ, ปนเป็นเป็นตัวสำคัญนะี่ยเพราะเขาไม่รู้สัจจสี่พราะไม่รู้สัจจสี่ก็ไม่รู้จิตในอริยสัจด้วยเนี่เนะช่นทุกษัตริย์เนี่ยเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้เนี่ยเขาก็ไม่กําหนดรู้ สมุทยัยยสัจจ์กลุ่มตัณหากลุ่มกิเลสทั้งหลายเป็นธรรมที่ควรละเขาก็ไปทําจิตในการที่จักละนิโรธสัจจ์คือพนธิพานเนี่ยเป็นจิตที่ควรทําให้แจ้งเขาก็ไม่ไม่พยายามที่จะทําให้แจ้งมารกษัตริย์เนี่ยเป็นธรรมที่ควรเจริญควรอบรมเขาก็ไม่เจริญอวิชาเนี่ยมันจะปิดหมดะปิดยังไงในชีวิตจริงเนี่ยหนึ่งเราเห็นเราเรามองถึงตาหูจบุกลิ้นก า, ายใจของเรานีเนี่ยผมกวนและปันเป็นต้น ซือตามหม่ยิหมุนนิ้วกายใจว่าดยจะพกขันหน้าของเราเนี่ยเรามองเห็นพบเนี่ยทุกมันไม่ปรากฏเราไม่เข้าใจไม่ไม่ไม่ตรึกไม่ไข้ควรไม่เกิดโยนิโสมนัสิกาให้มากว่าอันนี้เป็นเกี่ยวพันกับชาติทุกชาลาทุกมรณะทุกเนี่ยเกี่ยวพันกับโศกกาปริเทวะทุกขโมนัสสาวกายาตเนี่ยสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเราจะต้องได้ชาติทุกที่เรากําลังทํากรรมจากการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสและคิดนึกเนี่ย แล้วเราก็มาทํากายกรรมวิธีกรรมให้ดําเนินไปอยู่กรรมที่เราทําที่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเนี่เป็นไปเพื่อชาติทุก์เป็นไปเพื่อการเกิดการแก่การเจ็บการตายในอนาคตและปัจจุบันเราก็มีการเกิดแล้วกำลังแก่แล้วเจ็บแล้ววจะตายอย่งนี้ในอดีตก็เป็นมาอย่างนี้ปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนี้อนาคตก็จะเป็นอย่างนี้นั่นที่เราทํากรรมเนี่ยที่เกี่ยวพันกับอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นเหตุให้เกิดชาติทุกชาลาทุกเราไม่ได้คข้ควรอย่างนี้ก็ไม่เห็นทุก นี่ไม่เห็นทุกข์แล้วที่เรากาลังเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นเขาก็กำลังทํากรรมอย่างเราทำใช่ไหมทำกรรมเขามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทํากายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมออกมาทําบาปบ้างทําบุญบ้างแต่เขาก็ไม่ได้กระตือรื้นในการที่จะออกจากชาติที่ทุกข์เป็นต้นมันก็เกี่ยวพันกับเราอยู่เนี่ยบอกโอ้นี่เงนตอนทุกขนี่ก้อทุกไปกันอย่างเงี้ยทารวันไม่บอกเลยตรงนี้เราเริ่มบอกอย่างนั้นถ้โยนที่สมนราชการเกิดจะเห็นโอ้โหนีเริ่มเห็นทุกข์กษัตริย์แล้ว ควรรอบรู้ควรกาหนดรู้นั่นเองกาหนดรู้ต้องกําหนดรู้แในขณะที่เรากําหนดรู้แบบนี้เป็นโยนิโสนะพอโยนิโสเกิดขึ้นมากๆต่อไปมันจะเกิดความรู้สึกว่อเออเราทำรีบเล่งอย่าเลยแล้วไปบัววันก่อนนั่งคุยกับพ้าแล้เนี่ยคุยกันไปคุยกันมาบุกแมยเขาคุยคุยไปสุดทางไม่เขารู้สึกเขาเป็นห่วงภรรยาแล้วคือพระที่มาบววแล้วมีภรรยาบอกเป็นห่วงภรรยาแล้วก็จะไปบอกภรรยาเขา เห็นไหมว่าจริงๆเนี่ยที่เจตนาของผู้พูดหรือเขาอย่างนี้นั่งคุยคือต้องการให้ท่านก็ไหวแต่ท่านคิดถึงบางยางเนียวก็คิดถึงเพื่อนอีกแล้วนีเดี๋ยวคิดถึงพี่น้องลูกหลานไปเยอะโอ้โหมันบางทีบางทีพอพอแต่ก่อนเป็นยิ่งยิงจริง เ, เ, เ, เวลาเวลาเราศึกษาเราียนเสร็จจะเริ่มคิดถึงพ่อแม่ ไม่รู้เป็นอะไรเวลาไปไปฏิบัติแต่อาจารย์ก็คิดถึงพ่อแม่อย่งนี้นะเวลาไปบอกคนละเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้จริงที่จริงไม่ใช่อย่างนี้นจริงจริงตัวเอให้รีบขนขวายกับตัวเองก่อนตัวเองจะตัวไม่รอดเดียวใช่ไหมวิ่งแบกคนอนื่นอีกลำบากตรงนี้ที่อาจามองมองลักษณะอย่างนี้ก็ก็จะเข้าใจถ้ า, าเป็นไปกับศาสนาที่ถีเป็น ไม่รู้ในสัจจะสีนี้เป็นอวิชชาบรรดาสะวะเหล่านั้นการมสาสวะซึ่งยังไม่เกิดซึ่งยังไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความมินดีใส่ใจในการบุญนั่จริงๆนะแต่ว่าอาสะวะในปัจจุบันเนี่ยการมาสวะความมินดีติดใจในการคุณอารมณ์เนี่ยเช่นในขณะฟังธรรมเนี่ยในขณะฟังธรรมเป็นต้นอันนี้ยการมสาสวะความติดใจในการคุณไม่เกิดยังไม่เกิดขึ้น ที่จเจริญขึ้นแก่นนผู้ที่ยินดีใส่ใจในกรรมกุลพอขณะนี้ผ่านไปแต่เราไปยินดีพอใจในรูปเสียงกี่รมันไม่เกิดใหม่ในอนานตมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ได้นาเกียรติเป็นการล่างได้อย่างแท้จริงถาวาสวะที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญแก่บุคคลที่ยินดีใส่ใจในมากกว่าจะอ่าเช่นถ้าเรายินดีในฌานเนี่ยอ่ายินดีพอใจในรูปฌานอารูปฌานเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นภาวะสวะนี้ พยินดีในภพเนี่ยเช่นยินดีในภพที่มันสู ง, สงขึ้นไปเนี่ยบอกว่าปัจจุบันนี้เราเป็นทุกข์มากเพราเราไปอยู่ในภพ เ, ออเราเจริญมากกปตัดธรรมเจริญชันสมาบาามาายยัติเสียเนี่ยยืจะยืนยาวเราอาจจะทําระพุทธเจ้าก็ได้อยอีกต้นนิดเนี่ยเพราะก๊อกหนึ่งก๊อกสองไม่ได้เอาพวกรประเภทที่ว่ออสาสงสันบรรลุมไม่ได้เนี่ยแล้วเรื่องเอาทางทำยังไงก็ได้มันเปรอรอหน่อยอย่างนี้ก็นิพพานสว่างก็จะเจริญแก่บุคคลที่คิดแบบนี้ อแต่ในทางคำสอนเนี่ยท่านท่านไม่ให้หวังแบบนี้เลยเนี่ยท่านหวังว่าเออให้เจริญให้เจริญเพื่อจักปณิธานเข้าไว้ที่ผลพลอได้มันอันนั้นเราต้องว่ากันดีๆมั้ยแต่เราคิดแบบปุถุชนคิดเนี่ยหลายไม่ได้เนี่ยที่พานในการินี่ออกตรงนี้ใช่ไหมเราไม่ได้อย่างหนึ่งคว้าอย่างหนึ่งเข้าไว้ที่เราถูกสอนกันมาแบบนี้มันก็จะคว้าอย่างหนึ่งนะแต่มุ่งมั่นในการนี้เว้ยเราจะพ้นทุกมันก็เลยน้อยไปแล้วก็เลย เบาใจเพราะเราเราเเป็นไหบอกเบาใจแล้วเอาตรงนี้ก็ไว้ก่อนแต่ทีนี้ฟานไม่ได้แน่ๆจะคิดแบบนี้ที่ยิงว่าคิดตรงนี้มันทําให้อะไรรู้ไหมทำให้คลายความเพียรทําให้คลายความเพียรก็บอกว่าเป็นการเป็นการหยุดอยู่เป็นการไม่เจริญของกุศลธรรมก็เลยว่าไม่ไม่ปราบความเพียรพระเจ้าบอกว่าเป็นความเสื่อมอย่างหนึ่งนะไอ้ความตั้งอยู่เนี่ยไอ้ความตั้งอยู่ของกุศลธรรมนี่เป็นความเสื่อมอีกอย่างหนึ่ง เพราะว่าในส่วนจริงมันเสื่อมเพราะว่ามั น, ม, นมันไม่เจริญวิชาสะวาที่ยังไม่เกิดย่ำเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญแก่บุคคลผู้ไม่ใส่ใจทามันเป็นไปในภูมิสาวเขาบอกงี้เอาวิชาสะวะาคือความไปรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาหรือไม่มีโยนิโสมนสิการในกาลปวิในรูปปวในรูปปวงบ่อยๆเยอาวิชามันจะปิด เช่นถ้าเรากรณีที่เราเกี่ยวข้องกับมนุษย์กับสัตว์เลี้ยฉันมากๆเราเห็นสัตว์เลี้ยฉันใช่ไหมเราก็พิจารณาหินโทษว่ากรรมในการที่จะทําให้ไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยฉันเนี่ยเราก็ยังไม่พ้นกรรมที่จะเป็นเหตุเป็นปใจเราไปเกิดเป็นเปรตสุรกายสัตว์นรกเราก็ยังไม่พ้นกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยังไม่พ้นเมื่อพิจารณาอย่างเนี้ยพบในสังสารวัฏต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัจจัยเกี่ความเป็นทกทุกข์ที่เป็นไปในสังสารวัฏ ทุกที่เป็นไปในตระกูลพวงทั้งสามถ้าใส่ใจตรงนี้บ่อยๆวิชาไม่เกิดแต่ถ้าหาไม่ตึกไม่ใส่ใจสิ่งเหล่านี้นะวิชาก็จะเกิดอาลราว่ามนุษย์ไม่ได้ไปส้าวสารสวรรค์ไม่ได้ไปบรงนี้มันจะทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นทุกหมดเลยนะมันเหมือนว่าขอทานไม่เป็นนะเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ยากจนไม่เอาถ้าจะเป็นขอให้รวยนะทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ก็คือเป็นมนุษย์นั่นแหละเล้าม แต่จริงก็คือสภาพไม่ต่างกันเลยจะจนจะรวยเรืต่างก็ไม่พ้นจยางเกิดแก่สิ้นตางอาจจะดูดีนะมันเหมือนว่าสถานภาพต่างกันนิดหน่อยกันนั่แต่โดยการชาติทุกชราทุกมรณะทุกโศกกาภริเทวะมันไม่ต่างตรงเนี้ถ้าเราเราคิดตรงนี้บ่อยๆแล้วอวิชาไม่เกิดแต่ถ้าไม่คิดตรงนี้บ่อยๆอาวิชาก็จะเกิดเพราะอวิชาเกิดเนี่ยมันก็จะมองเห็นพบทุกพบไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยใช่ไหม ไม่ เ, เดือดร้อนในสายตาของคนที่เขามีบุญมาก ๆ, ๆนี่เขาเดือดร้อนมากเลยนะเวลาเขาตื่นถึงเรื่องต่าง ๆ, ๆนี่เขเดือดร้อนมากในการที่เขาจะต้องรีบมุ่งมันน่นในการที่จะเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งยิ่งแต่ในในในสายตาของคนบางคนเน่ยเนี่ยอีกนานเนี่ยอีกนานก็ลําบากประทัดฐานแห่งวิปป่าสี่พึ่งทราบด้วยความดังที่ได้กล่าวไนปะ้ก็หมายความบอกว่าวิปปาาทั้งสี่ก็หมายความว่ามีา สุภาวิปลาสความเห็นวังงามความเห็นว่าเที่ยงความเห็นว่าสุขความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนก็มาจากวิชานี่เขาจะถามบอกว่าเหตุไรในพระสูตรที่พระเจ้าถึงตรัสอาสวะไว้สามอันนี้เป็นข้าศึกต่อวิโมกนะกามาสะวะเป็นปฏิปักษ์ต่ออัปญญาต่อวิโมกก็หมายความบอกว่าถ้าใครมีกามาสะวะมากๆแล้วเนี่ยที่จะไป ทำให้อปาณิหิตาวิโมก ค, คือการหลุดพ้นด้วยสมาธิก็ไม่เกิดอย่าลืมนะว่าตัวตัวกามคุณเนี่ยเป็นปฏิปัติต่อสมาธิตัณหานี่นะตัณหาหรือกามคุณทั้งหลายเนี่เป็นปฏิบัติต่อสมาธิความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นปฏิบัติต่อการเจริญที่สมาธิอย่างมากฉะนั้นคนที่จะหลุดพ้นด้วยการที่มีสมาธิที่ตั้งมัน่นหรือไปมองเห็นทุกเนี่ย สรุปก็คือคนมีตัณหามากไม่ก็เห็นทุกข์แต่ถ้าคนมองเห็นชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์ความโศกความล่ำไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจมากๆเลยตัณหาที่หมดนั้นถ้าใครรู้ว่าเดินมากเป็นคนชอบเพลิดเพลินนี่นะชอบเที่ยวชอบเพลิดเพลนชอบสบายๆชอบชีวิตสดชื่นอะไรง น, นี้ให้มองให้มองความทุกข์ในสัรสารวัฏที่เยอะๆแล้วจะตายการตัณหาได้ ภาวะสว่แล้ววิช า, วาสวะานนนี้เป็นปฏิบัติต่ออนิมิตตาวิโมกและประสญญนยะตาวิโมกก็หมายความว่าภาวาสวะนมีความยินดีพอใจในพบเนี่ยเป็นปฏิบัติต่อต่ออนิมิตต์อนิมิตต ก, ก็คือโดยมากจะเห็นพบถ้าไปยินดีพอใจในพบก็ไปเข้าใจว่าอะไรเข้าใจพบน่ยมันเที่ยงเช่นเราโอ๊เป็นมนุษย์เนี่ยอายุสั้นในยุคนี้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมดีกว่ายุคจะยืนเนี่ยไปเห็นเนะี่ย ไม่เห็นว่าเขาเมเที่ยงไงพอไปเห็นว่าเที่ยงแล้วก็เป็นปฏิบัติ์ต่อการเจริญนี้จะสัญญาที่จะไปเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นหนึ่งไม่เห็นเลยส่วนอวิชชาสวานี่เป็นปัจจัยต่อการที่จะทํำสุดับสุดเฉลี่ยโมกหมายเป็นเป็นปฏิบัติ์ต่ออวิชาการที่เราเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะอวิชาปกปิดไว้นะเพราะอวิชาปกปิดไว้ฉะนั้นอาสวะทักษาประการนี้เป็นเป็นเป็นปฏิบัติ์ต่อวิโมกหนึ่งที่ได้กล่าว มีอภรณิฏฐาวิโมกอันนี้มีตาวิโมกแล้วก็สุญญาตะวิโมกทีนี้ท่านก็กล่าวเกี่ยวในเรื่องของปุตุชนก็าไวุ้ตุชนผู้ไม่ได้สดับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเนี่ยประ ช, ชีดถึงอาสวะกึ่งร้าด้วยเทศนาปุกราธิฐานว่าเหตุที่บุตุชนนั้นเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะทั้งหลายมีการอาสวะเป็นต้นโดยการใส่ใจดุบาที่ไม่แยกขายเป็นปัจจัยตรัสไว้โดยสามัญธรรมดา ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายเมื่อพิกษูสายใจโดยอุบายไม่แยกแคลยเอาแตว่ทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จ ะ, จ ะ, จะเจริญยิ่งขึ้นต่อไปท่านก็แสดงเกี่ยวในเรื่องของไอะไที่แสดงไว้ก่อนแสดงเกี่ยวในเรื่องของอะไวออออความสงสัยความสงสัยสิบหกอย่างที่แสดงเอาไว้ครั้งที่แล้วอันนั้นก็อันนั้นก็ได้แสดงไปแล้วก็ข้ามไปข้ามไปก็ไปเกี่ยวในเรื่องของ เ่อทิฏฐเนี่ยิฐาสวเนี่ได้กล่าวไปแล้วสรุปตอนนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าแสดงทิศฐาสะวะพลานาว่าพราะเอียรที่ศีะระพตปรามาคก็องค์เทศนาไว้ด้วยการละกามาสะวะเป็นต้นเนี่ยสำนักธรรมทั้งหลายภายนอกพุทธศาสนานี้ถูกอวิชชาครอบงำย่อมพากันถือสีรคพตเพื่อความสุขในกามเพื่อความสุขในภพเพื่อบเบสุดในภพ ขันไม่ทรงขันไม่ขันไม่ทรงแสดงศีละพตาปลามาตนั้นซ้ําอีกหรือไม่ทรงแสดงศีละพตาปรามาต้นั้นนั้นเพราะศีละพตปลามาต้นั้นพระองค์ทรงถือเอาโดยศัพท์ว่าทิฏฐิและบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงบุคคลผู้ละอาสวะผู้ละด้วยทัศนะเป็นต้นด้่ยตรงนี้กล่าวอย่างนี้นะว่าในในพระสูตรโดยทั่วๆไปท่านจะไม่แสดงศีละพตาปลามาต์เอาไว้ แต่ในที่นี้ที่ท่านแสดงเข้าไว้ก็เพราะว่าต้องการให้ทราบบอกว่าบุคคลภายนอกเนี่ยเมื่อมีทิฏฐิกก่าคือมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติก็ไปเข้าใจว่าข้อปฏิบัติขอ ง, งตนเองนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์ได้เมื่อไปเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ถือทิฏฐิที่ผิดพลาดแล้วก็ไปพื้นปฏิบัติลักษณะนั้นก็เป็นสีแล้วก็วาทานไป ส่วนอริยะบุสาวกผู้จเจริญกรรมฐานในสัจจะทั้งสี่ในชั้นแรกทีเดียวรเรียนกรรมฐานประกอบด้วยสัจจะสี่ในสำนักของอาจารย์แล้วถ้าไปพิจารณาว่าขันมีรูปประคัเวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ที่เป็นไปในภูมิทั้งสามคือการประพรรูปประภูมิรูปภูมิเป็นทุกเพราะโทษจ่าคือตัณหานี่เองเป็นเหตุเป็ น, ปนบ่อเกิดแห่งทุกข์ต้มาพิจารณาอย่างนี้เลยว่าพาระยะสาวก น, น, นี่ท่านไม่ท่านไม่ทุกข์ใจเรื่องตรงนี้ท่านก็จะเข้าใจว่า ที่เราได้ขันคือได้ตามุยโยมวงดิ้นกายใจมาเนี่ยคนคนละหกทวารได้มาหรือได้ขันห้ามาอันนี้ถามว่าขันห้าที่เราได้ได้ได้แต่ไหนมาก็บอกมีตัณหาในดิเป็นตัวสร้างมาตัณหาบวกกับกรรมทํากรรมแล้วก็ได้ถ้าไม่มีตัณหาก็ไม่ทากรรมที่จะสร้างขันใช่ไหมเพราะมีตัณหาเนี่ยเป็นเหตุในการทำกรรมเมื่อทํากรรมแล้วก็ได้ขันแบบนี้คือได้สภาพรูปเวทนาสัญญาสังขารวิยามได้ตามุยโยมวกดิ้นกายใจ ทีนี้ทก็มาพิจารณาบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือขันห้าเนี่ยที่เป็นไปในกรมปภูมิที่เป็นไปในรูปภูมิที่เป็นไปในอรูปภูมิเป็นทุกข์เป็นทุกข์นั้นทุกข์น้นเวลามันยักย้ายหรือสภาพขันที่มันมีการแปลเปลี่ยนเป็นทุกข์นะมันสืบต่อแปลเปลี่ยนจากเด็กมาเป็นหนุ่มจากหนุ่มมาเป็นผู้ใหญ่กลางคนจากกลางคนมาแก่เท่าและในสุดที่จริงก็จ้างต้องตายอยู่ในสภาพขันนั้นน่ะมันก็หมดไปเพราะการทํากรรมนั้น ที่ต่อไปคือว่าต้านหามันก็สร้างสร้างขันใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆก็สื่อต่อกันไปอยู่เรื่อยๆฉะนั้นขันที่เป็นแปในภูมิสามันเป็นทุกในลักษณะ น, นี้ท่านท่พิจรารณาก็ให้เข้าใจว่าโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าถ้าละได้เนี่ยทัศนาเนี่ยก็มาถึงโสดาภิรมักการละกาสมาสวะก็วางสวะทิฏฐาสวะ ว, วิชาสวาบางส่วนเพราะเห็นพันธิภานครั้งแรกเมืโคตราภูยานเห็นเบ็ดเสร็จแล้วตสสุนริงก็ทำโสดาภิรมัก ฉะนั้นเขบอกอาสวะที่พึงลัได้ด้วยการเห็นในที่นั้นหมายถึงเห็นสภาวะธรรมต่างๆมีจริงก็คือได้บรรลุเป็นพระโสดาบันโดยหลักการอยู่ตรงนั้นคือการเห็นพระนิพพานเมื่อเห็นพระนิพพานก็ละอาสวะที่จะเป็นเดียร์ให้ไปเกิดเป็นเปรเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกได้ก็ยังเหลืออาสวะที่เป็นเดียให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นพระนิพพานทัศนาที่รักได้ด้วยการเห็นถ้าเห็นพระนิพพานครั้งแรกพบเนี่ย หนึ่งเราก็จะไม่มีอาสะวะที่ไหลลงไปเป็นสัตยลบอาสะวะที่ไหลไปคืเป็นสัต ย, ย์ฉานและอาสะวะที่ไหลเปคือก็เหลือแต่เพียงว่าอาสะวะที่เป็นมนุษย์เยดีวยวเดียที่เรากา ล, ละละอาสะวะได้แต่ละสายได้จิตของพวกเราตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ละได้สักจุดเลยก็เป็นจิตที่จะต้องดําเนินอาสวะในการที่จะละอาสะวะต่จบวันนี้ก็เดี๋ยวจเจริญจะมาทานท่านทุกนอนเจริญจะแก้มาเจริญกะาทาน Thank you.